หอเจริญพรคุณหมอชวินเสกหาคุณหมอสุทอนทรสุทนทรชาติรอมผู้ในการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครและคุณเพ็ญจันทร์เจียมมรกรกตรอผู้ในการสํานักอนามัยพร้อมท่านทั้งท่านผู้มีเกียรติจากสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร ทุกท่านวันนี้ท่านทั้งหลายได้เข้าวัดไปยุโรปสาวาทเพื่อบําเ็ากุศรในโอกาสพิเศษคือเนื่องในโอกาสสถาปนาส น, นากอรณ์ใหม่เก้าสู่ปีที่สี่สิบสี่แสดงว่าครบสี่สิบสามปีนับแบบล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วก็จะอยู่กันต่อไปอีก มาทาบุญทากุศล ร, ร่วมกันเพื่ออุธิส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บุพการีชนผู้ส่งไม้ต่อๆมาถึงหลังใี่ท่านได้ทํางานในส่วนนี้แล้วก็รับภาระมาก่อนหน้าเราทําให้สํานักอนามัยได้เป็นสํานักที่ใหญ่มากๆ มีสาขาเยอะมีข้าราชการมากมายดูแลประชาชนจำนวนมากเราเรินึกนึกถึงกลุ่มพการีชนท่านผู้มีผู้ที่ทำงานล่วงหน้าเรามาก่อนจนนึงได้ทำบุญทำกุศลวันนี้ดันคติที่ว่าดื่มน้ำให้นึกถึงคนขุดบ่อ ทานผลไม้ให้นึกถึงคนปลูกต้นไม้จึงได้มาทำทาตัวสอนร่วมกันนั่นเป็นเรื่องที่1เรื่งองที่สองก็คือเรื่องแรกนี่นึกถึงผู้ที่ผ่านมาก่อนหน้าเราในการํมบูญวัตถุประสงค์ข้อที่สองในถือโอกาสเวลาที่พรบวันสถาปนาวันเกิดวันก่อตั้งสานักงานก็ดี ก็คล้ายๆกับทำบุญวันเกิดของคนเวลาที่เราเจริญอายุมาถึงช่วงหนึ่งเราก็จะทำบุญใหญ่เมืนะ่อรอบๆวันเกิดทำไมคำตอบก็คือหนึ่งเพื่อที่จะได้ออตอบแทนผู้มีพระคุณที่ดูแลให้เรามีวันนี้สองเพื่อให้บุญกุศลที่เราทำเนี่ย เป็นปัจจัยหนุนนำส่งให้องคอ์กรของเราสำนักงานใหมหรือตัวเรานี่จเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปโบราณเขาถือว่าที่เราจเจริญรุ่งรเรืองมาจนถึงวันนี้ก็เพราะว่ามีบุญกุศลหล่อเลี้ยงและบุญกุศล น, นี่เมื่อส่งให้เราจเจริญก้าวหน้าได้ตำแหน่งประสบความสำเร็จ อาจจะหมดพลังเหมือนกับจรวดมันใช้เชื้อเพลิงหมดมันขึ้นต่อไม่ได้เราอายุมาถึงปานนี้ถ้าจะอยู่ต่อไปแข็งแรงมีสุขภาพดีสมร็จก็ต้องทำบุญเพิ่มยิ่งอยากจะได้ตำแหน่งใหญ่ๆเขาก็ต้องบอกว่าบุญต้องหนักสัก์จึงใจะใหญ่ทำบุญนิดเดียวสักทานถังเดียวเง เจ้าตำแหน่งรองผอ อ, ออย่างเงี้ยมันพากับอะไรเกินควรเออเขาจึงเรียกว่าบุญหนักสักใหญ่ถ้าสักใหญ่ต้องทําบุญเยอะๆอยากจะมีชีวิตประสบตำแหน่สสงสงศก็สร้างบุญเพิ่มยากบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนัก ที่รักก็นายยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยาบุญลงหงสาเป็นกาไก่ที่พูดเรื่องบุญนั้นก็เพราะว่าเชิ้ของเรามันมีสส่วนในความสําเร็จซึ่งจะในพูดต่อไปก็คือเก่งบวกเฮงเก่งคือความสามารถเฮงคือสถานการณ์ที่เป็นใจโดยที่เราไม่ได้เลือกบังเอิญว่า ผู้ใหญ่คนนั้นต้องมาอยู่ตำแหน่งตรงนี้คนนี้ต้องอยู่ตรงนั้นอันนี้เขาเรียกว่าบุญจัดสรรที่ท่านพูดอย่างนี้วัตถุประสงค์สองประการประการที่หนึ่งคือให้ท่านทําบุญเสมอเสมอบุญก็จะคุ้มครองดูแลประการที่สองอย่าประมาทที่เราทําประสบความสําเร็จมาเนี่ยมันไม่ใช่ความเก่งอย่างเดียว มันเพราะสถานการณ์ที่มันเหมาะสมเป็นใจที่มันเอือ้อและถ้าเราอยากจะประสบความสาเร็จเหมือนเดิมเนี่ยเราทําเหมือนเดิมในที่อื่นในครั้งต่อๆไปนี่มันอาจจะไม่ได้เรื่องเพราะสถานการณ์มันไม่ได้เป็นใจอย่างนั้นคนคนนั้นเขาไม่ได้อยู่ดูแลเราแ ล, แ ล, แ ล, แลว้วเราจะพูดแบบนั้นทำอย่างนั้นไม่ได้จึงไม่ควรจะใช้กลยุทธ์เดิมเสมอไปจึงไม่ควรจะใช้ วิธีการเดิมๆที่ทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะสถานการณ์ที่แวดล้อมมันเปลี่ยนไปคนที่ประสบความสำเร็จในครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปก็มาตั้งตีโพลตีพายแต่ไมมันไม่ได้เรื่องเขาก็บอกว่าเพราะคุณเกง่งแต่เฮงมันยังไม่มานั่นในความหมายหนึ่งในความหมายที่สองเขาเรียกว่าคนที่เคยทำอะไรสาเร็จ ด้วยวิธีการใดมักจะใช้วิธีการนั้นสซ้ำๆและซ้ำสเนี่มักจะโดนกินเหมือนพวกที่เคยถูกหวยเออยามใจใช่ไหม เ, เคยตามเลขนี้เลขนี้ไปขอวัดนี้วัดนี้ถูกเลขท้ายเลยทุ่มเลยทีนี้หมดตัวเลยเพราะบุญมันยังไม่บอบกันหรือสถานการณ์มันไม่เอือ้อฉะนั้นความ ตระหนักตรงนี้ท่านหนึ่งเราเราเพื่อสถานการณ์เนี่ยมันเอือ่อเราก็ทำบุญเพิ่มอันที่สองอย่าไปใช้กลเม็ดเดิมกลยุทธ์เดิมเสมอไปเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนบุญบุญศรมันเปลี่ยนนะ้ำมันขึ้นมาลงเราก็จะต้องดูตามมาตาเรือและนั่นคือเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่เราไม่เข้าใจเราก็ให้เป็นเรื่องของไหเอาเาเรียกว่าเรื่องของการเรื่องบุญบุญศลไปส่วนหนึ่ง นอกเหนือจากความรู้ความสามารถคอนเน็ชันอะไรต่างทีนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนี้ต่อมาก็จะถือโอกาสนี้บรรยายธรรมะเป็นการต้อนรับท่านทั้งหลายที่มาเยี่ยมวัดปยุระวงสาวาในฐานะเจ้าวาก็ถือคติว่าอันวิสัยคนไทยแต่โบราณใครมาถึงเรื่อนชานต้อต้อนรับวันนี้เจ้าวามาเองนะเนี่ย รู้ไว้ด้วยเ <c oughs> พราะฉะนั้นการต้อนรับของพระกับการต้อนรับของโยมไม่เหมือนกันการต้อนรับภาษาบาลีเรียกว่าปติสันถานปฏิสันถานการต้อนรับมีสองอย่างอามิสาปฏติสันฐานอามิสาปฏติสันฐานแปลว่าต้อนรับด้วยสิ่งของด้วย น้ำดื่มเนี่ยต้องต้อนรับน้ำดื่มคืออาหารอะไรต่างเขาเรียกว่าต้อนรับด้วยสิ่งของแต่ถ้าเป็นพระท่านให้ต้อนรับด้วยธรรมปฏิสันถานธรรมปฏิสันถานคือต้อนรับด้วยธรรมถ้าท่านไปเยี่ยมชาวบ้านเขาก็มีของติดไม้ติดมือให้ท่านกลับบ้านวันนี้อาจมาก็จะมีธรรมะให้ท่านเอากลับบ้าน แต่ว่าจะเหลือติดกลับบ้านที่ทำงานทัเท่าไหร่ก็อยู่ที่ท่านน ะ, ะไม่ใช่ว่าพระเทศไม่ดีแต่ว่าอยู่ที่ว่าท่านจะเอาไปได้ทเท่าไหรต่ตกลงกันก่อนฉะนั้นเรื่องที่จะกล่าวปฏิสันถานก็เกี่ยวข้องกับการทำงานแต่ตกลงกันไว้ก่อนนะมันเป็นเรื่องการทำงานของราชการกนจริงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตอนตอนสุดท้ายเนื่องจากว่าท่านมาที่วันไปอยู่อาจจะมาจะยกตัวอย่าง การใช้ธรรมะนี้ในการบริหารวัดไปอยู่มองเหมือนเป็นเรื่องของท่านนี่แหละตอนพูดตอนแรกเนะ่ยแต่ที่จริงอาตมาเอามาใช้ในการปฏิบัติราชการของวัดประยุรว ง, งศาวาสของคณะสงฆ์อาตมาเป็นข้าราชการนะในทางคณะสงฆ์เนี่ยสูงสุดเรามีคอมอเรียกว่ามหาเทรสมาคมคณะรัฐมนตรีเราลงมาเราจะมีเจ้าคณะใหญ่แล้วก็ เจ้าคณะใหญ่นี่เหมือนรัฐมนตรีสมเด็จทั้งหลายมันจะเป็นเจ้าคณะใหญ่แล้วรองลงมาเป็นเจ้าคณะภาคอธิกานี่เป็นเจ้าคณะภาคสองดูแลอยุธยาสระบุรีอ่างทองเจ้ารองจากคณะภาคก็คือเจ้าคณะจังหวัดท่านจะคุ้นกันระดับเจ้าคณะจังหวัดไปที่ไหนจะมีผู้ว่าของพระคือเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะเจ้าอาวา เล็กสุดนี้คือเจ้าวาดอาตมาเป็นตั้งแต่มหาเถรสมาคมอย่างเจ้าวาเเพราะว่าหาพระทำงานน้อยได้น้อยก็เลยคิดว่าน่าจะเอาพวกสุภาพบุรุษนี่มาบวชช่วยกันนะมาเ ป, เป็นเจ้าคณะที่ยัง ข, ขาดอยู่เนี่ยใ น, ในตาแหนง่งต่างๆเหล่านี้เราเรียกเป็นข้าราชการของพระว่าแต่ท่านอาจจะไม่คุ้นเลย คําที่เราเรียกกันก็คือคําว่าเขียนให้ดูสักคั้งั น, ก, นก็คือคําว่าพร ะ, ะพระสังฆาธิการ คำที่เราใช้เรียกข้าราชการของพระก็คือพระสังฆาธิการนนั้พระสังฆาธิการนี้เริ่มตั้งแต่ตําแหน่งเจ้าวาดหรือผู้ช่วยเจ้าวาดขึ้นไปอพระสังฆาธิการนั้น เ, เป็นตําแหน่งที่กฎหมายรับรองเรียกว่าพระราชบัญญัติตอนที่สองแต่ละกัน กฎหมายคณะสงฆ์รับรองมีสถานะเป็นเจ้าพนัก ง, งานตามกฎหมายตามกฎตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเป็นเจ้าพนัก ง, งานตามกฎหมายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสเนี่ยมันจึงเหมือนขา้าราชการทั้งหลายเขาเป็นเจ้าพนัก ง, งานเหมือนกันอันนี้โหกเดียวกันคือ มาตราหนึ่งห้าเจ็ดเหมือนกันแล้วเป็นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยผิดชอบเรื่องเงินวัดอะไรต่างๆถ้าบริหารไม่ถูกหนึ่งห้าเจ็ก่อนยังไม่ยังมีมาตราอื่นๆอีกสรุปแล้วรวมอยู่ในนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรที่ท่านจะต้องมีธรรมะในการปฏิบัติหน้าที่ยังไงเป็นภรสังฆาธิการก็ต้องเหมือนกันฉะนั้น ที่พูดต่อไปนี้เนี่เหมือนกับเป็นเรื่องธรรมะสำหรับท่านทั้งหลายแต่จริงๆทางวัดก็ต้องทำแล้วเราเอามาใช้ทำอย่างไรประสบความสำเร็จหรือรมเรวยยังไงก็จะมีโชงสุดท้ายจะเป็นการเล่าเรื่องในวัดเป็นเหมือนกับนำท่านชมวัดไปด้วยเอาได้เรื่องได้สองเรื่องสองอย่างพร้อมกันแต่ถ้าพูดที่อื่นได้เรื่องเดียวไม่มีเรื่องวัด นะครันี้มาที่นี่พิเศษให้เป็นรอบผสมทันธุรอบต่อไปอาจจะตึ้งใหญ่เสร็จก็ไปขึ้นบรรยายที่โนู่นนะใหญ่กว่าห้องนี้อีกเอาละทีนี้โดยปกติการฟังเทศฟังธรรมเนี่ยท่านฟังเพื่อให้เกิดสติปัญญาสติคือใจอยู่กับปัจจุบันเหนือยกับขับรถยางมีสติ ไม่ใช่โพงแต่โทรศัพท์มือถืออยู่ไฟเขียวเกิดขึ้นก็รู้ไฟแดงก็รู้มองให้เห็นฟังให้ได้ยินเรียกว่ามีสติถ้าท่านฟังอาตมาต่อไปนี้มีฟังอย่างตั้งใจมีสติท่านก็จะได้ปัญญา mm hmm. จะรู้ว่าพระพูดอะไรมีธรรมะอะไรเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านยังบอกว่าสติคือใส่ใจอยู่กับเรื่องปัจจุบันเฉพาะหน้าไม่ใจลอยเวลาที่ท่าน ดูแลงานของท่านพบกับคนไข้หรืออะไรถ้าเป็นแพทย์เนี่ยมันก็จะต้องใส่ใจเขาคนที่อยู่ข้างหน้าเราสำคัญที่สุดแสดงว่าเรามีสติถ้าเราถือว่าไม่สาคัญเขาพูดอะไรมาเราก็ออเอออยู่นั่นแหละเน่ยไม่ได้ยินมองก็ไม่เห็นฟังก็ไม่ได้ยินเพราะเราไม่ได้เน้น ย, ย้งด้วยสติสติก็คือการใส่ใจที่แรงขึ้น เหมือนกับเวลาที่ท่านเจริญในอาณาปานสติกาตดลมหายใจปกติเราหายใจเข้าหายใจออกเรื่อยกันทงนั้นแหละถ้าไม่เข้าออกก็น่าสงสัยที น, นี้พอท่านหายใจเข้าใช่ไหมทำไมท่านไม่รู้ตัวเพราะท่านก็ไปคิดแล้อน่นท่านก็ไม่มีสติกับลมหายใจจึงไม่มีอาณาปานสติแปลว่าสติกาตดลมหายใจเข้าออกเพื่อให้ท่านใส่ใจเนี่ยเขาจงสอนว่าหายใจเข้าให้นับหนึ่ง เพราะท่านจะต้องรู้ เ, เข้านะหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามยันสิบสิบท่านไม่ต้องทําอะไรมากละแค่นับหนึ่งถึงสิบทีละพู่ละพู่เลยเขาเรียกอานามานะั้นสติแล้วพอนับไปมากๆเนี่ยมันจะขี้เกียจนับเพราะอะไรเพราะว่ามันจะรู้โดยไม่ต้องนับไงสติมันจะไวเองท่านก็หยุดนับแล้วทีนี้แหละท่านจะรู้อานิสงส์งของสมาธิแล้วมันจะเริ่มแค่นี้แหละ บางท่านก็ใช้วิธีหายใจเข้ากับพุทหายใจออกโทพุทโทพุธทธทเพื่อดึงมาที่ลมหายใจสติจึงไม่ใช่อะไรเลยคือเพ่งความสนใจให้มากกว่าปกติอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะอย่างเรานั่งฟังกันมาถ้าก็เพ่งมาที่จะมาพูดในเรียกมันนสติในการฟังท่านกําหนดลมหายใจถ้าเพ่งความสนใจให้มากกว่าปกติ มีสติอยู่กับลมหายใจแต่ทีนี้เรามักจะใจลอยพอเพ่งลมหายใจอยู่กับลมหายใจบางทีนับเดิงไปถึงห้าคนเดินผ่านหน้าเราแล้วเราก็ไปดูว่าใครเขมาทำอะไรลืมลืมแม่งกบอ่าไปมองคนคนถ่ายภาพบ้างอะไรบ้างพอเสร็จแล้วกลับมาใหม่อาเดี๋ยวคนรุ่นมาคนนี้มามันก็เลยเหมือนกันนั่งฟงังธรรมามันก็จะวอกแวกทั้งทั้งที่เราพยายามเจริญสติ การที่วอกแวกแสดงว่าไม่มีสมาธิอีกคํานึงนะสมาธิก็คือมีสติอยู่เรื่องเดียวต่อเนื่องท่านกำลังทำเรื่องอะไรก็ตามฟังเรื่องอะไรก็ตามท่านไม่วอกแวกเลยท่านพยายามปักใจก็คือกดหรือว่าเพ่งโฟกัสอยู่กับเรื่องนั้นเนี่ยห้านาทีสิบนาทีเรียกว่ามีสมาธิเพราะฉะนั้นสติกับสมาธิมันเรื่องเดียวกันนั่นแหละ เวลาเขาบอกว่าไปทางากรรมฐานก็บอกเจริญอานาปรารสติไม่เห็นบอกว่าสมาธิเลยเปล่าท่านเอาสมาเอาสติจับอยู่กับลมหายใจเพียงเรื่องเดียวต่อนเนื่องห้านาทีสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงสแสดงว่าท่านกำลังทำสมาธิอ่สมาธิในทิปจำันรคืออย่างไรอ่าก็เขาเอาแฟ้มมาให้ท่านเซ็นอ่ะท่านก็อ่านสิตั้งแต่แถวแร ก, กเรื่องอะไรแล้วก็ ดูเนื้อในข้างในแล้วก็ลงนามจะสั่งอย่างไรอนุ ม, มตัติไม่อนุ ม, มัติหรือว่าจะส่งต่อไปที่ไหนถ้าท่านอ่านรู้เรื่องท่านก็เซ็นได้ถูกต้องทีนี้ถ้าเกิดเรากําลังเครียดกําลังุ่มเรื่องไหนก็ไม่รู้แฝมเราก็อ่านไม่รู้เรื่องเหมือนกับหลวงพ่อองลึงเป็นเจ้าคณะอําเภอด้วยเป็นเจ้าวาดด้วยส่งหนังสือไปที่เจ้าคณะจังหวัดจะได้ว่าต้องโทรมาถามท่านจะคุน ลาออกทําไมล่ะฮะจะตัวถามฮะลาออกจากอะไรจังพอจากจังหวัดก็ท่านลาออกจากเจ้าวาดอ่ะคือท่านเป็นเจ้าหน้าเพื่ยเจ้าวาดด้วยผู้ที่จะอนุมัติให้ลาออกจากเจ้าวาดคือท่านจังหวัดจังหวัดจะอนุมัติท่านก็เอ้ยมันไม่เห็นคุยกันเลยเนอะทําไมจะมาลาออกซะก็เลยโทรมาถามท่านจะคุนทําไมลาออกซะล่ะลาออกจากอะไรครับเจ้าวาดเอ้ยผมไม่รู้เรื่องนะ สงสัยเลขาสอดไส้หลวงพ่อจังหวัดแล้วท่านจะออกไหมไม่ออกแล้วครับข้อคือเลยปลดเลขาไปแล้วนี่แล้วเซ็จไปได้ยังไงมองไม่เห็นเพราะสอดไส้มาใช่ไหมเซ็นไปเรื่อยอะไรก็เซ็จเซ็นไปไว้ใจกันมองไม่เห็นฟังไม่ได้ยินไม่มีสติสติคือใส่ใจอยู่กับปัจจุบันถ้าใส่ใจอยู่กับปัจจุบันต่อเนื่องในเรื่องใดเรียกว่าสมาธิสมาธิแปลว่า ตั้งใจมั่นสติแปล ว, ว่าตั้งใจใส่ใจถ้าใส่ใจมั่นคงกับเรื่องใดคือสมาธิและถ้าท่านมีสติมีสมาธิอะไรมาปัญญามันเกิดมันจะในชีวิตจะมันเป็นอย่างนี้สติสมาธิปัญญาเพราะนั้นจุดเริ่มจริงคือสติสติมาปัญญาเกิดสติตเลดิดมักเกิดปัญหาฉะนั้นในชีวิตของท่านเนี่ยถ้าจะ มีพัฒนาให้มันเปลี่ยนแปลงได้ทันทีฝึกสติไว้เสมอซึ่งีเป็นเรื่องที่ในภาคปฏิบัตินะมีโอกาสไปปฏิบัติทรรมอะไรต่างก็ฝึกสติแล้วท่านจะมีสมาธิมีปัญญาสติมาปัญญาเกิดสติเตลึกมักเกิดปัญหาทีนี้ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติสติมันมีอยู่สติข้างนอกนะมองไปข้างนอกเมื่อเราขับรถเห็นไฟเขียวไปแดงกับสติที่มองด้านใน ปกติเราจะมองแต่ด้านนอกจับผิดคนอื่นแต่ไม่มองความผิดของตัวเองอะไรไม่สำคัญไม่รู้อารมณ์ของตัวเองเรารู้อารมณ์คนอื่นเพราะเขาโกรธเขาด่าเราเขาเครียดเอออย่าไปยุ่งเข้าใกล้มันเดี๋ยวมันกัดเราเออมันแงียบๆใครก็ไม่รู้เรารู้อารมณ์เขาแต่อารมณ์เราเรารู้ไหมตอนนี้เหงานะเซ็งนะโกรธนะกว่าจะรู้ว่าเราเครียดนี่ตอนไหน นอนไม่หลับแล้วไมเกรนแล้วไปหาหมอแล้วสํานักอน า, ามัยก็ใช้บริการพวกเดียวกันนี่แหละถูกต้องไปหาพวกเดียวกันตายไปว่ายังไงเหมือนกับว่านกมันมองไม่เห็นฟ้าปลามันมองไม่เห็นน้ําไส้เดือนมองไม่เห็นดินนกอยู่บนฟ้าแต่มองไม่เห็นฟ้า ปลาว่ายอยู่ในน้ำแต่มองไม่เห็นน้าใส่เดือนมองไม่เห็นเห็นดิ น, ด น, ดนอะไรที่เราคุ้นเราชินเรามองไม่เห็นปัญหาไม่เห็นเงื่อนมันตัวเรานี่บางทีนะ่ะเป็นปัญหาเองนะแต่เราเอาไปโทษขเขา่นการจะแก้ปัญหาบางจิงต้องมองด้านไหนบ้างจิตโกรธก็ให้รู้ว่าจิตโกรธนี่เป็นกรรมฐานนะที่เราวักจะได้ยินจิตโกรธก็รู้ว่ากาลังโกรธ หนาวก็ให้รู้ว่าหนาวเศร้าก็ให้รู้ว่าเศร้าแล้วไปไงพอรู้แล้วมันจะได้เกิดปัญญาไงไอ้ที่เราขับรถกันเนี่ยเรานึกเลยนะขับรถแซงกันเลยนะประเทศไทยเลยนะไม่รู้จักกันเลยปากหน้ากันไปมาแล้วไปยิงกันตายเนี่ยติดคุกโดยที่ไม่รู้ไปฆ่าใครไอ้คนตายก็ตายโดยใครก็ไม่รู้กว่ามันจะฆ่ากันตายเนี่ยมันโกรธแต่มันขุมไม่อยู่ ถ้าเรารู้ว่าเราโกโรธแล้วจะไปฆ่าคนแปลกหนะ้ามันมีประโยชน์อะไรเราไม่รู้จักเขาเลยแล้วไปติคุกเขาทาไมนี่คือตั้งสติได้ใช่ไหมเราจะห้ามความโกโรธแล้วแล้วก็เลิกแสงเงินมันไม่มีประโยชน์ไม่มีไอต้ต่างต่างคนต่างไปเซนติมันทําให้เราเกิดปัญญาปัญญามันทําให้อะไรคือรู้ว่าควรหรือไม่ควรถ้ า, รายังไม่รู้ว่าควรไม่ควรไม่เรียกว่าปัญญาเราฟังธรรมบ่อยๆฆ่าคนมันควรไม่ไม่ควร เมื่อเราเมื่อทําอะไรก็ไม่ควรนั่นแหละปัญญามันเตือนเราเออันนั้นอันนี้มันไม่ควรทําเราก็สติมาปัญญาเกิดสติเตลิดมันก็ฆ่ากันตายทุกวันนี้มันไม่มีปัญญานะ่ะปัญญาที่จะบอกว่าอะไรควรทําไม่ควรทำเฉพาะหน้าเราก็เลยเกิดปัญหาบางทีบางอย่างเนี่ยสิ่งที่เรากําลังจะลงนามไปนี่เป็นควรไหมอมนุญัติอนุญาต กู้ประกันค้ำประกันคนเนี่ยเราจะต้องรับภาระไปใช้หนี้แทนเขาหรือเปล่าก่อนที่ท่านจะลงนามไปแต่ละครั้งเนี่ยปัญญามันจะต้องมาเตือนเราสติ ด, ดูก่อนเออกำลังจะทําอะไรปัญญามันจะเตือนเราว่าควรจะเซ็นหรือไม่ควรเซ็นแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรตามมาเขาเรียกมอง ก, กันไกรปัญญามันจะมองกว้างนะถ้าเป็นไอเขาเรียกความรู้เนี่ยมันจะเพาะจุด เฉพาะหนะ้าท่าเรียนวิชาอะไรฟังเรื่องอะไรมันก็เรียกว่าความรู้เฉพาะเรื่องแต่พอท่านเอามาเป็นปัญญาแปลว่ารู้รอบนะปากแปลว่ารอบคือมองกว้างเส้นตรงนี้อนาคตมันจะเกิดอะไรนี่มองไปในอนาคตเส้นตรงนี้พูดประโยคนี้มันจะไปกระทบใจใครอันนี้กว้างไปถึงคนอื่นคือที่ว่านึกถึงอกเขาอกเรานี่เป็นระดับปัญญานะไม่ใช่อารมณ์นะถ้าอารมณ์มันก็อยากจะด่า ถ้าอรมก็อยากจะโพร้อเราอยากจะทําอะไรตามอารมณ์ตามใจเราแต่พอปัญญามันมามันจะคิดหน้าคิดหลังเนะว่าไอ้ที่เราจะทําอย่างนี้ผลลัพธ์อะไรมันจะตามมาพอคิดถึงผลลัพธ์จะตามมามันจะบอกว่าถ้าผลไม่ดีไม่ควรทําถ้าผลที่ดีควรทําการรู้ว่าควรไม่ควรเป็นปัญญาและทีนี้เขาเรียกรู้ถูกรู้ผิดเน่ถ้าเด็กไม่ได้รับการฝึ ก, กฝึก ฝ, ก ฝ, ก ฝ, กฝกนอบรมเลยนะมันเห็นแต่ผู้ใหญ่ฆ่ากันมันเห็นแต่คนลักขโมยกัน เอโกงกันอย่างนี้ไอ้ไอเขาเรียกว่ามโนธรรมสำเร็จมันไม่เกินเหมือนคนที่ไปอยู่ในท้ำดานโจรอย่างเนี้ยมันก็เลยมันไม่มีเสียงมโนธรรมก็คือตัวปัญญายไปใส่เบรงให้ให้กับเรานั่นคือประเด็นที่หนึ่งไม่รู้คือขาดปัญญาอันที่สองพวกเรามีปัญญารู้อะไรคนไม่ควรแต่สติมาไม่ทันโกรธฆ่าคนไม่ควรแต่ยิงเข้าไปแล้วอ่ะเออมาชนรถเรา ไม่ัวจะด่าไปสั่งแล้วกราบกราบรถกู้โอ้ไม่มันไปทั่วประเทศเลยนะเออถ้ารู้ยี่ไม่ทําแล้วก่อนเดี๋ยวถ้ามันรู้่มันจะเกิดผลอย่างนี้รู้แต่ว่ามันห้ามไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฝึกสติใช่ไหมฉะนั้นที่ว่านกมองไม่เห็นฟ้าปลามองไม่เห็นไสเดอตรงนี้คือไม่ได้ประเมินสถานการณ์คือขาดปัญญาเนี่ยมันเริ่มมาจากสองเรื่องหนึ่งไม่ได้การไม่ได้รู้การปลูกฝังอบรมที่ถูกที่ควรส่อหรือสอง ถูกฝังเรียนมาเยอะความรู้ทั่วหั ว, หวตัวไม่รอดที่ท่านพูดมาเนี่ยรู้ทั้งหมดแต่ก็อดไม่ได้เรียบได้อีกนะเพราะไอ้นี่อดไม่ได้คือขาดสติสติยักยั้งชั่งใจเนี่ยเอาละท่านจึงเห็นหรื อ, อยางว่าการเรียนทำรรมั่ฟังทำรรมั่เพื่ออะไรเพื่อสร้างระบบปัญญาก่อนระบบไอ้ปัญญาที่ถูกต้องภาษาพระเรียกสมมานทิฏฐิระบบความรู้อะไรถูกอะไรดีอะไรดีอะไรชั่วเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ เมื่อต้องไปเจอสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างทางสองแพร่งไปคุกกับไปสวรรค์เพราะฉะนั้นในตอนนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกฝึกขนไปมากเนี่ยสติมันจะมีพลังมันจะบอกเลยอันนี้ไม่ควรนะอันนี้ไม่ควรโกงนี้ไม่ควรทุจริตไม่ควรคอร์รัปชันนะแม้แต่ผู้ใหญ่สั่งมาเราก็มีสิทธิ์โดนทั้งนั้นแหละอ่าเออเรียกอะไรนะปปชเขาไล่มาตั้งตามลำดับกอะลรทีนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ย สติมันจะต้องเตือนเราก่อนที่จะลงมือไอ้ลงนามก่อนที่จะทําโน่นทำนี่สติมาปัญญาเกิดสติเตลิกมักเกิดปัญหาประโยชน์ของการความธรรมไว้ทำลไรสรุปแล้วอันตนาจูทยัตตานะเอาไว้เตือนตัวเองเตือนตัวเองตอนไหนตอนต้องตัดสินใจตอนต้องลงมือทําตอนเกิดวิกฤติจะยิงกันจะตบกันจะตีกันจะมีเรื่องเนี่ย ตนของตนเตือนอปิ้งปราหมองอแล้วตับนี่ขำขำเจ็บแล้วจําใส่กระบายนี่ขันไข่ผิดแล้วแก้กลับตัวเปลี่ยนหัวใจจะมีใครมาวนไม่สอนตนธรรมะมีเอาไว้สอนตนฟังธรรมะอยู่เรื่อยมันสติมันจะได้คมและจะได้เตือนตัวเองได้ทันเวลามันจะไม่ต้องไปลําบากในเรื่องที่ไม่ควรจะลําบาก ทีนอันนั้นเป็นเรื่องของสติเบื้องต้นประโยชน์การทำทางฟังเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาตนการพัฒนาตนมีเป้าหมายให้เกิดภาพสามภาพท่านเป็นข้าราชการเป็นพนัก ง, งานท่านพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดภาพสามภาพหนึ่งสมรรถภาพสองคือเก่งสองคุณ ภ, ภาพคือดี สสุขภาพ ค, คือมีความสุขใครก็อยากทํางานให้มันมีสมรรถภาพเพิ่มขึ้นเข้าตากรรมการเข้าตาเจ้านายเก่งทำได้ทุกเรื่องพร้อมใช้งานสมัยหนึ่งเขาพูดถึงโทรทัศน์ยี่ห้อเนนะี่ยเปิดปุ๊บติดปั๊บอ่ะนะและมีประลัดกระทรวงเพียบไห้แม่เจ้านายสักอะไรมาดีขับนายได้ขับท่านเปิดปุ๊บติดปั๊บ พิะ <c oughs> ชี <c oughs> นั่นแหละคือเก่งทำได้ทุกเรื่องมันสต o p s เซอร์วิสนคนี้คเดียวนี่ได้ทุกเรื่องอันนี้เขาเรียกว่าสมรรถภาพส่วนดีดีหมายถึงคุณภาพที่เราประกันคุณภาพนี่คืออะไรทำไมต้องมีออยอน้ำบริสุทธิ์มันมีทั้งเจือปนทั้งอะไรต่างแต่บริสุทธิ์เนี่ยออยอรับประกันแสดงว่าคุณภาพ ตามมาตรฐานดีทีนี้คนที่ดีเต็มร้อยนี่ก็คือคนที่ทำประโยชน์เต็มมาตรฐานยาอันนี้เนี่ย บ, บางทีที่เราทำไมต้องคุ้มครองผู้บริโภคคือไม่คุ้มกับเงินที่เขาจ่ายโฆษณาเกินจริงว่าจะช่วยตรงนี้รักษาตรงนี้อะไรแต่เอาเข้าไปแล้วมันไม่ได้ตามนั้นเขาเรียกว่า ไม่มีคุณภาพเต็มตางที่โฆษณาคนเราก็เหมือนกันนี่เขารับเข้ามาทางานนี่จบปริญญาตรีมาปริญญาโทมาทางานอย่างกับปอสี่เจอได้ยินมได้ยินเขาว่าเพื่อนหรือว่าเราเนอะเห็นไหปอี่อย่างนี้กเธออีกนะเห็นไหมเนี่ยมันก็คือเขาคาดหวังเรามันระดับปริญญาแล้วทำไมทางานได้แค่นี้เออเออดีแหละ มันคุณภาพมันไม่ออยอเลยนะใช่ไหมเรียกมาทําไมอ่ะเอาไปคืนเหรออุ้เดือดร้อนมหาวิไลอีกต่างหากมันฝึกมาก็แล้วอะไรมาก็แล้วทําไมทํางานแค่นี้ อ, อยออโยอยู่อ ย, ออ ย, ออยอไแล้ว อ, อยอโยออโยอ <c oughs> <c oughs> ทำบ้างไปทําบ้างมันจะได้ที่ไหนเล่า <c oughs> เพราะฉะนั้นประกันคุณภาพเนหมายถึงเต็มร้อยเต็มร้อยหมายถึงอย่างนี้ สมมติว่าพระเทศเนี่ยนะคนฟังจะมากจะน้อยต้องเทพเต็มเต็มที่พระพุทธเจ้าเทพครั้งแรกคนฟังกี่คนเห็นไหมเทพเต็มที่เลยจนผู้ฟังได้ดวงตาเห็นธรรมถ้าเป็นพระเทวทีนิพุนห้าอกห้าคนที่มันจะได้กัรเทพเท่าไหร่เลยเทพไปเต็มที่เอาสองรอยคนดีกว่าเงี้ยสมมติเลยเลือกงานอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ประกันคุณภาพถ้าเกิดว่าไปเทพกับคนห้าคนเทพ ไม่ได้นนนนหน่อยพอ2องร้อยามร้อยิ่งเทศดีขึ้นเรื่อยๆนี่เขาเรียกว่าไม่มีมาตรฐานไม่มีการประกันคุณภาพการที่เราไม่ประกันคุณภาพเกิดเพราะอะไรเดี๋ยวจะก็เพราะว่าอะไรเดียจะพูดออาสุดท้ายข้อที่สาบางคนนี่ความสามารถเกินวุฒิอีกนะเก่งแล้วก็เจ้านายชอบก็เลยเรียกใช้ใหญ่เลยนะบ้านช่องจำไม่คเด็กตา่าไอตูดจำไม่ได้ โอ้ยทําไมมันขยันขันแข็งคุณภาพดีเหลือเกินแต่ขอโทษทีเครียดเหลือเกินเห็นไหมทำงานมากนี่โอทั้งประกรันคุณภาพทั้งอะไรอะไมารวมที่เราเนี่ยเครียดเพราะฉะนั้นมจะเป็นยังไงรังสีอมมหิดมันออก <c oughs> เพราะไม่มีสตินี่ไม่ได้เช็คตัวเองไม่ได้เช็คคุณภาพใจรังสีอมมหิดมันออก <c oughs> กลับไปบ้านนี่อย่าว่าแต่คนที่บ้านไม่ไม่อยาก หลบหน้าหลบตาไอตูดมันก็ไม่อยากเข้าหน้าเลยโอ้ยมองไปทางไหนนี่รังสีมันฮิดออกเออเครียดเพื่อนถามอายุเท่าไรี่สิบแล้วนึกว่าจ ะ, กะเกษียณปีหน้าถ้าไม่มันโซมอย่างนี้หรอขาดทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายเห็นไหมไม่มีความสุขฉะนั้นทำงานอย่างไรให้มันได้ทั้งเก่งดีมีสุข คือสมรรถภาพคุณภาพและสุขภาพใช้ธรรมะอะไรนี่คือประเด็นหลักวันนี้อ ธ, ธรรมะอะไรนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เลยประสิทธิภาพนี่มันเกิดจากสามเรื่องนั่นแหละคือพร้อมใช้งานข้อที่หนสมรรถภาพคือพร้อมใช้งานฮิตตะจีใครเกง่งไม่เกง่งเรื่องไหนถ้าจะเรียนไม่เรียนก็แต่ทําได้อ่ะและทําได้ดีด้วยเขาเรียกว่าสมรรถภาพเป็นคุณสมบัติข้อแรกของข้าราชการ สิข้อที่รายการที่หกท่านบอกไว้สมบัติข้าราชการเนี่ยข้อหนึ่งเลคือความสามารถสมรรถภาพพร้อมใช้งานข้าราชการต้องมีความพร้อมใช้งานไม่ว่าจะไปอยู่ตำแหน่งไหนอยู่เห็นอยู่กันสํานักเศรษฐกิจเปนแบบเออไปอยู่รูปก็มีแล้วสำนักอน า, ามัยเนอะนี่เรื่อพร้อมใช้งานใช่ไหมนีแหละนี่ตัวอย่างสมรรถภาพเเอออไปอยู่ที่ไหนก็ทําได้ดีอ่ะ ข้อที่สองคุณภาพมุ่งความเป็นเลิศเอ็กซ์แลนเทำอย่าสุดความสามารถรองให้มันสุดคํารําให้มันสุดแขนแผนให้มันสุดปีกอย่าไปกักไว้ทําอะไรทําให้ดีที่สุดขงจื้อเขาว่ายังไงให้ขงจื้อทําอะไรจะทําให้ดีที่สุดให้ขงจื้อเลี้ยงมามาจะตะอ้วน ให้ผมจีอจ้อไปเป็นเสนาบดีกระทรวงการคลังเงินจะต้องเต็มคลังตอนนี้เขาให้เราเลี้ยงมา้าทําเลี้ยงมา้าให้มันดีที่สุดแต่วันหนึ่งเข้าตากำรังการเขาให้เป็นเสนาบดีก็ทําหน้าที่เสนาบดีให้มันดีที่สุดมันไม่ใช่ว่าอตอนนี้ให้เลี้ยงมา้าไม่เอาไม่ทาไม่ท ำ, ท ำ, ทำอยู่ที่ไหนทําให้มันสุดฝีมือเขาเรียกว่าคุณภาพมุ่งความเป็นเลิศ excellence ซและสุดท้ายก็คือความพึงพอใจ ตัวเราทำงานดีก็มีความสุขผู้มารับบริการในอนามัยของท่านเนี่ยชาวบ้านก็ดนนีข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชากระต่ามีความสุขในการทำงานร่วมกันถามว่าจะให้เกิดภาพสามภาพใช้ธรรมะอะไรอันนี้คือเป้าหมายปัจจุบันนี้ถามว่าถ้าลงคิดอย่างนี้นะอุดมเพติคือสมรรภาพเนี่ยบอยู่ระดับนี้ แล้วตัวท่านตอนนี้เ e อร์ฟอร์แมนซะ์การปฏิบาตของท่านเนี่ยห่างจากเป้าหมายทัาเท่าไหร่ใช้สมรสภาพถ้ารู้ว่าเออเรายังไม่ถึงแล้วมันขาดตรงไหนเช่นทุกวันนี้เขายุคอะไรอ่ะไทยแลนด์สศนโอ้โหไทแลนด์ 4.0 นต้องมี creative มันอะไร creative เออสร้างสรรต้องมี innovation นวัตรกรรม มัน า, าะไรเปิดทศนาติทุกลมยังไม่รู้นี่เรียกว่าสมรรถภาพท่านยังไม่ถึงไทยแลนด์ท่านอาจจะไทยแลนด์ 2.0 อยู่นตอนนี้นะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องไปเข้าคอร์สอบรมใช่ไหมเขามีประชุมที่ไหนก็ไปที่นั่นไปอบรมไปจนรู้และอ้อสมรรถภาพที่เพึนประสม ต, ต้องมีอินโนเวชั่นนวัตรกรรมเนี่ยนวัตกรรมทางกา ร, ร, การแพทย์เนี่ยนะทางสํานักงานนโยยมันจะต้องมีเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเรื่อง Product เรื่องผลผลิตสองเรื่อง กระบวนการต่อไปนี้นวัตรกรรมใครใครมาที่สํานักอนามัยนี่นะถ้ารอเกิน10นาทีนะฟ้องพอ อ, อเลยโอ้นวัตรกรรมป่ะแต่เราจะเดือดร้อนนะไ ม, ไ, มไม่ต้องสร้างสารรค์ขนาดนั้นหรอกคือสมมุ ต, ติโดยฉากนะมีนวัตรกรรมในการให้บริการเขาเรียก process ในการใน pro ใน service service นวัตรกรรม service ก็ได้นะไม่ต้องเข้าแถวยาวเนี่ยโอ้จะมาไปไปบริการเพิ่งกลับมา ไปหเห็นสนามบินต่างๆเนี่ย้พอไปลงสนามบินที่บางแห่งเนี่นะเข้าแถวยาวๆนะกว่าจะปลุดมาได้นะไ อ, พอะไ้พว ก, กคัสตอมอิมพิเกชันอะไรต่างๆพวกศุลกากรสันภาร์ออะไรต่างๆเนี่ยมันเปิดช่องนิดเดียวยาวแต่พอไปบางสนามบินเนี่ยเขาบริหารจนได้อันดับหนึ่งของประเทศ อ, อเมริกาเยไม่ต้องเข้าแถวไม่ต้องเข้าคิวเลย โอ้มันแบ่งเป็นว่าถ้าสายการบินอยู่ในเตดไปอยู่เทอร์มินอลนี้ถ้าสายการบินเซาเว่นไปอยู่ตรงนี้สายการบินไทยไปอยู่ตรงนี้คนมันกระจายกันหมดเลยแป๊บเดียวโอ้ท่านทางที่สนามบินเล็กจิ๋วแต่แจ๋วสมอลส์บิวตี้ฟูลเอ่อนี่คือแมネจเมนต์อินโนเวชันนวัตกรรมด้านการบริหารท่านสามารถที่จะทำตอนนี้มันพักจะประเทศเรื่องอินโนเวชันนะใช่เรื่องนะอือง่น อลงมคั่งไปจากเบรนิกไปเบริกาไปเห็นไปดูมาเอามาพัฒนาวัดไปยูพัฒนามหาจุฬาก็เลยเล่าให้ฝั่งวัฒนาเห็นแล้วสี่อย่างเนี่ยนะอินโนวิชั่ในสี่เรื่องหนึ่งนวัตกรรมในสด้านหนึ่งเรื่อง Product เรื่องผลผลิตสองเรื่อง Service เรื่องบริการเรื่องโปรเรื่องเรื่องกระบวนการการผลิตสามเรื่องเรื่อง Service เรื่องบริการและสี่เรื่อง Management การบริหารเรามาคิดให้ที่เราบอกว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสมอะ เทคโนโลยีมันมีอยู่แล้วแต่อะไรที่มันเหมาะสมมันใช้กับเราได้อย่างเร็วเราเรียกว่านวัตรกรรมคอมพิวเตอร์ Computer ก็มีอยู่แล้วกล้องก็มีอยู่แล้วเทปก็มีอยู่แล้วอ ะ, อะไรแล้วก็มีแล้วคนชื่อชื่อสตีฟจ็อบส์เอามารวมไว้ใน iPad iPhone ไม่ได้คิดใหม่เลยแต่มันเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมบางๆมาไปใช้ได้อะไรคือเทคโนโลยีเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับสานักอนามัยกทม มันอาจใช้ได้ดีกับที่กรทมแต่ใช้ไม่ได้ที่ l อที่นิวยอร์กก็เป็นเรื่องของเขาอันนี้ก็คื อ, อ, อมุ่งถึงสมรรถภาพคุณภาพสุขภาพถ้ามาตรฐานมันอยู่ตรงนี้อย่างที่สมาพูดในในรงปปกติแล้วตอนนี้เปอร์ฟอร์แมนซ์สิ่งที่เราทำมันอยู่แค่นี้เราก็ต้องยกตัวขึ้นเขาเรียกว่าอะไรแผนใช่ไหมแผนในการพัฒนา5ปี10ปีมันต้องพัฒนาคนของเราให้ไปถึงจุดนี้ ทีนี้บางคนลดแผนไม่ได้ตามเป้าดึงลง <c oughs> แล้วก็ดึงเร็ว อ, อย่างนี้ที่โกงนะเราก็จะต้องยืนยันในเป้าหมายไว้แล้วก็ทําไปให้ถึงที่ท่านมาพูดสามคำเนี่ยถามว่าในตัวของท่านเนี่ยท่านอยากได้สมรรถภาพเพิ่มขึ้นระดับไหนอย่าเอาบอกาแค่นี้ก็ดีแล้วเนะ่ย อ, อย่างนี้ไม่พัฒนานะทำไมจึงบอกว่าต้องพัฒนาตนเนี่ยเพราะเราเห็นว่าเรายังจะสามารถพัฒนาความสามารถไปได้ขั้นไหนยกตัวอย่างเอา เดี๋ยวนี้ CJ0 ต้องรู้ภาษาอะไรภาษาต่างประเทศท่าภาษาอังกฤษได้กี่คำ Yes No Okay หรือโ h เพิ่มเป็นสิบคำว่ะสมมติสมรรถภาพเพิ่มขึ้นเพื่อขอข้าวกินได้อย่างนี้เขาเรียกสมรรถภาพทางภาษาเพิ่มสมรรถภาพทางรุดเพิ่มและคุณภาพเนี่ยขนาที่มีสมรรถภาพแต่ไม่มีคุณภาพแปลว่าอะไรไม่มีน้าใจจากให้บริการเก่งแต่ไม่ดีหลบไปหลบมา ความสามารถขึ้นสนิมเลยเออคมเตรือมมีดดีเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในฝักนานไม่ได้ใช้เลยภาษาเก่งๆตอนเรียนแต่ตอนนี้ขึ้นสนิมมาแล้วไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ใครความเป็นเลิศมันก็มิเกิดสุดท้ายเมื่อท่านไม่ได้มีความสามารถทํางานมันก็เครียดไม่ได้มีน้ําใจที่จะปฏิบัติมีความสามารถใช้เอาใช้เอามีแต่เล่าเท่านั้นแนหะเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนทํางานดนะีแต่ในใจเถียงความเป็นเลิศมันมีแต่ใจมันไม่มีความสุขเลยมัน ท่านก็ทุบในการปฏิบัติงานสรุปแล้วสามข้อเนี่ยมันอยู่ที่ตั้งมาตรฐาน่าอย่างนี้แล้วท่านจะต้องไปให้ถึงคนที่จะไปให้ถึงต้องทำอะไรบ้างต้องมีธรรมะอะไรมีสี่ประการหนึ่งท่านต้องเป็นคนฉลาดมีความรู้เพิ่มขึ้นขาดความรู้ในเรื่องไหนเพิ่มในเรื่องนั้นสองต้องเป็นคนขยันเห็นไหมท่านจึงจะมีอะไรสมรรถภาพท่านฉลาดแต่ไม่ขยันไม่ฝึกไม่ฝน ท่านก็ไม่พร้อมที่จะทําทงานเพิ่มเติมบางทีเราย้ายไปอยู่ที่อื่นเนี่ยหลวงวิจิตวาสการ์เนี่ยอยู่กระทรวงต่างประเทศเขาย้ายให้มาเป็นอธิบดีกรมศริลปากรแกอ่านหนังสือในห้องสมุดของสมเด็จชาติเกือบทุกเล่มแกว่าแล้วหันมาเป็นเป็นนักประพันธ์แต่งหนังสือนะหลวงวิจิตมาแต่งตอนที่มาเป็นอธิบดีกรมศริลปากรตามมาจากปารีส น, นั่นเมันเป็นอธิบดีกรมศริลปากรเป็คนกระทรวงเลยนะกระทรวงวัฒนธรรมสมัยนี้ในสุดแกก็กลายเป็นนักเขียน ตอนเป็อธิบดีนี่แหละโดนบังคับฝึกความสามารถแล้วก็ขยันทํางานขยันแต่งขยันเขียนไม่มีโรงละครแห่งชาติสมัยโน้โนองเสียงละครอยมีละครสะแสดงแต่ไม่มีที่สแสดงต้องสร้างโรงละครแห่งชาติสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองไม่มีเงินหลวงวิจิตรเลยแต่งบทละครเลือดสุพรรเอามาสแสดงได้เงินพร้อมได้เก็บเงินได้เอามาสร้างโรงละครแห่งชาติเนี่ย นี่เขาเรียกว่าทั้งฉลาดทั้งขยันแต่คนเราเนี่ยมันไม่ได้ฉลาดขยันกันทุกคนไม่งั้นก็เป็นที่บริีกันหมดสิเพราะฉะนั้นมันจะมีคนสี่ประเภทประเภทที่หนึ่งทั้งฉลาดทั้งขยันประเภทที่สองฉลาดแต่ขี้เกียจนี่ประเภทที่สามโง่แต่ขยันประเภทที่สี่ทั้งโง่ทั้งขี้เกียจไม่ทราบว่า ที่ทำงานของเราเนี่ยมีประเภทไหนบ้างพวกฉลาดและขยันนี่เขาให้เป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารพวกฉลาดแต่ขี้เกียจเขาให้เป็นอะไรเออดูอย่างกองทัพนะเออกองทัพนี่ฉลาดและขยันให้เป็นแม่ทัพฉลาดแต่ขี้เกียจให้เป็นที่ปรึกษากองทัพเขาเรียกอะไร เ, เสนาธิการใครสมองเป็นที่ปรึกษาโอ้ โง่แต่ขยันเป็นไรดีเป็นหัวหน้าใหญ่ไม่ได้เดี๋ยววางแผนทิ้งระเบิดพวกเดียวกันทิ้งพินเขาให้เป็นผู้คุมกำลังระดับคอมมานโดปฏิบัติการสั่งลุยที่ไหนมันเล็กเลยน่ะจัดการเรียบทั้งโง่ทั้งที่เกียยให้เป็นไรอ่า ให้ให้เป็นยามมันก็หลับย่างเขาให้เป็นหนุ่ยรัตะเวนมีกลับระเบิดที่ไหนส่งกูนี่ลกหน้าไปบอกหนุ่ยก้าตายหนุ่ยก้าตายเ อ, ยาายเอที่มากันนี้มันอยู่กลุ่มไหนถึงไม่มาไอที่เหลือ อ, อยู่กลุ่มไหนพี่เจรนาตัวเองด้วยนะโอ้ทีนี้ อันนี้คือเลือกลุกน้องใช่ไหมเราก็ต้องเลือกประเภทไหนฉลาดขยันแต่นี่สมมุติเนอะไอฉลาดขยันนี่มีน้อยเราเรารับคนใหม่เข้ามาสอบข้อเขียนผ่านหรือสอบสอบสัมภาษณ์สองถอคนหนึ่งบอกผมฉลาดแต่ขี้เกียจอีกคนบอกผมโง่งแต่ขยันท่านจะรับคนไหนโอขยันโอ้เออ โง่และขยันเขาหนึ่งฉลาดขี้เกียจเขาหนึ่งโง่ขยันถามใหม่ถ้าเลือกคู่ครองใหม่ได้จากประเภศไหนระหว่างฉลาดแต่ขี้เกียจกับโง่แต่ขยัน อ, อ, อ, อันนี้ไมนมีเสียงแตกเลยข้าราชการที่ผสมต้องฉลาดและขยันอันนี้ใน ด, ดวงปกติก่อนฮนะ แต่ว่าลดลงมาก็ฉลาดแต่ขี้เกียจก็ขยันอะไรก็ขี้เกียจมันก็เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยถ้าอยากจะไปให้ถึงดวงดาวเราต้องพัฒนาสมรรถนะเป็นฉลาดและขยันส่วนมากฉลาดนี่มันเพิ่มได้ใช่ไหมไปเรียนเพิ่มเติมขยันต้องปลุกใจตัวเองทีนี้บางคนฉลาดและขยันก็ยังไปไม่ถึงดวงดาวถามว่าทําไมไปถามผู้ใหญ่ทําไมไม่เอาคนนี้ทั้งฉลาดทั้งขยันหุยอะไรอะไ ร, ะไรไมันก็ดีหรือท่าน เสีอย่างเดียวมันเลวมันฉลาดโกงขยันโกงมีทั้งสข้อเลยไอ้ฉลาดแกงโกงนี่แหละมาอยู่ใกล้กูปวดหัวเออไปเอาไปข้างหางเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าขาดความซื่อสัต์ฉะนั้นต้องมีให้ครบนะยาชุดนี้นะหมอสั่งแล้วอย่าไปทิ้งนะไหนรบทิ้งไม่ได้นะยาเซตนี้เนี่ยทำก็ม โ, มโอสดนะ ทรรมโอสถพระพุทธเจ้าเรียกว่าทำระรโอสถยากคือทำว่ามีสี่ขนาดมีสี่เม็ดเพราะฉะนั้นต้องทานให้ครบเสตหนึ่งท่านต้องฉลาบในขั้นการที่พึงประสงต้องฉลาบในวปกติต้องขยันต้องซื่อสัต์บางคนฉลาบขายันซื่อสัตย์แล้วก็ยังไปไม่ถึงดวงดาวทําทไมโอ้โหไปคณะคือทํางานดีดีนะทั้งฉลาบทั้งขยันทั้งซื่อสัต์เป็นคนดีแต่ขอโทษ เป็นคนดีที่โลกไม่ต้องการ <c oughs> <c oughs> เคยได้ยินไหมเออคนดีที่โลกไปอยู่ไม่ต้องการทําไมอ่ะไปอยู่ที่ไหนนะปนอย่างนี้ขนาดจะไปสมัครเข้าเอกชนนะย้ายไปนะไม่เอาแล้วราช ก, การอยู่ไม่ได้เขาไม่ใช้คนดีมีฝีมือไปอยู่เอกชนเอกชนเขาก็เวลาสัมภาษณ์เขาจะให้สินแสมาดูโหเฮงมาแงเงนี่ยนะเขาจะดูโง่เฮงด้วยนะสินแสบอกรับไปได่าไนะอ้หมอเนี้ทําไมโ ห, เห่เฮงไม่ดี ทำไมคิ้วนี่ยังกับเออออเคิ้วนี่นะยังกับล่าเออาเรียกว่าอะไรล่าเออคิ้วนี่ยังกับโจโฉเลยนะโอ้โหเขาเรียกว่าตานี่ตาดุย่างกับล่าเฉดสีคิ้วยังกับโจโฉอะไรก็ดีหมดเลยเสียอย่างเดียวปากเหมือนสุนัข ก, <laughs> กัดเขาไปทั่วมาเลยขาดมนุษย์เสียสมนธ์ ท่านต้องฉลาดขยันซื่อสัตย์และมีมนุษยสัมพันธ์จนจะไปถึงดวกดาวไม่ต้องมีเส้นหรอกเพราะเส้นมันก็คือมนุษยสัมพันธ์นะั่นแหละซื่อสัตย์คือคนดนะีมันมีเส้นของมันเองถ้ามีมนุษยสัมพันธ์เราไม่มีเส้นแสด ง, งว่าขาดอะไรมนุษยสัมพันธ์เห็นไหมヒเมะเรลชันชนั่นคือธรรมะสี่ประการ เขาเรียกกำลังภายในที่จะทําให้ทีขึ้นเนี่ยสี่อย่างหนึ่งกำลังปัญญาฉลาดกาลังสมองกําลังปัญญาีิฉลาดสองกำลังใจขยันวิริยะเนี่ยมีกําลังใจสามกำลังสุจริตอนวันช่าภละทางานได้บกร่องสุจริตเป็นกรอบป้องกําลังกายแห่เนี่ ย, ยสุดท้ายสังขารพะละ สงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นท่านทํางานนี่ด้วยจิตใจมุ่งสงเคราะห์คนอื่นทั้งสงเคราะห์ผู้รับบริการบุคคลอื่นเพื่อนท่านก็มีมรุษิยสมัครถามว่าสี่ข้อนี้เนี่ยมาตรฐานมันควรจะอยู่ระดับนี้แล้วแต่ละข้อท่านมีมากมีน้อยปัญญาท่านถึงระดับไหนวิริยะเป็นยังไงวิรยิยะมีสองอย่างนะวิรยิยะที่มาจัดภายนอกคือไฟหลดก้น โอ้ขยันเหลือเกินเดทไลน์มาแล้วเป็นอย่างนี้ประจำเงี้ยจะบอกว่าขยันโอ้ไม่ได้หลับไม่นอนและทั้งปีมขาทําอะไรอะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้เขาเรียกวไอ้ ว, วิรยิยะในที่นี้คือจุดไฟให้ตัวเองอะ่ะไม่ต้องมีใครมาเผาบ้านเนี่ยเราก็ขยันเองอะ่ะเขาเรียกว่าสังขาทิ่กาวิรยิยะคือปลุกตัวเองอย่าพูดนํามันต้องปลุกตัวเองไ่เออมันจะเฉยไม่ได้เพราะฉะนั้นวิริยะที่นี้หมายถึงเราปลุกตัวเราเองขึ้นมาข้อที่สมสุจริตซื่อสัตย์ ประวัติไม่เสียประวัติดีไม่ด่างพร้อยและข้อที่สี่มีน้าใจเอื้อเฟื้อตลอดสี่ข้อนี้เรามาดูแต่ละข้อเนะเอาเอาปัญญาก่อนเมื่อกี้ธรรมาพูดมาคลาๆแล้วปัญญาคือรอบรู้ปัญญาไม่เหมือนสัญญาเลเวลาที่ท่านนั่งฟังธารมท่านจำได้เขาเรียกสัญญาจำได้ไหมารู้ รู้สีเขียวสีแดงจําได้ที่พูดมามีกี่ข้ออะไรต่างชลาขยันสื่อสารจดไปเป็นข้อๆเขาเรียกว่ารู้เฉพาะเป็นจุดๆรู้แค่ไหนจําได้แค่นั้นรู้เท่าที่เห็นเท่าใจเท่าที่ฟังรู้เป็นจุดๆมันไม่เชื่อมโยงแต่ปัญญาเหมือนจบมหาวิเลัยเหมือนกันจําได้ความรู้เท่ากันสอบได้มันแต่ปัญญาไม่เท่ากันเพราะว่าปัญญาเนี่ย มันคือใครเอาความรู้ที่เราเรียนในสมุทท่านจบในสายแพทย์มาพยาบาลมาแต่วเวลาบริหารงานท่านต้องไปผสมกับเบเนชเมนต์ไปอ่านาไปนศึกษาความรู้ทาง MBA เอีกเชื่อมกันยังไงระหว่างบริหารทีท่เชื่อมโยงและในชีวิตประจำวันท่านมีครอบครัวต้นเลี้ยงลูกจิ ต, ตวิทยาอีกอะ่ะพัฒนาการอีกเพราะฉะนั้นไอความรู้ที่บวกทางแพทย์ บวกกิจวิยาบวกบริหารมันยิ่งทำให้ท่านได้เปรียบถ้าท่านมีปัญญาปัญญามันจะเชื่อมโยงแต่กลายเป็นว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือมันรู้เป็นจุดๆแล้วมันทวงอไอ้เรื่องนี้ควรจะใช้จิตวิยาไปใช้อะไรนิติศาสตร์เรื่องบางเรื่องจะให้คนร้องนองสามัคคีกันท่านต้องใช้รัฐศาสตร์ใช้นิติศาสตร์พังอีก ท่าเรียนนี่แล้วท่านเรียนนิติศาสตร์มาก็จะคิดอะไรเป็นนิติศาสตร์ไปหมดมันไม่ได้ปัญญามันจะบอกว่างานนี้ต้องรัฐศาสตร์ต้องประดีประนอมเห็นไหมบ้านเมืองเรามันจะอยู่ในโหมดไหนโหมดใช้กำลังปกครองบ้านเมืองหรือโหมดใช้ปัญญาไม่เหมือนกันน ะ, ะสมมุติกองทัพเนี่ยนะเวลาที่เราไปรบสวมมนพระเนรสวนเนี่ย โลกชนะพะม่านี่คือโหมดอะไรโหมดใช้กําลังถ้าท่านไม่ใช้กําลังท่านแพ้พม่าท่านเพราะฉ ะ, ะ, น, ะนั้นท่านต้องดูใครที่หนีทัพสั่งประหารถูกไหมสั่งประหารเลยมันเจะโหมดใช้กํำลังแต่เวลาปราบข่าศึกเสร็จมาบริหารบ้านเมืองมหา บ, บริหารในเศรษฐกิจการศึกษาใช้โหมดกําลังได้ไหมไม่ได้ บริหารการแพทย์เอไปรักษาที่ไม่ไปรักษาตัดคอหมอดีเรื่องตัดคอหมอบทใครจะรักษาละ่ะมันไม่ได้มันไม่มือทหารเพราะฉะนั้นท่านต้องเอามาโนปัญญาแล้วความนุ่มนวลและดิโปโลเมซี่แหละการพูดและสาสารปัญาชาติเขา ย, ยังมีต้องหลากหลายอย่างเ้าเรียกไม้โวกับไม้แข็ง hard power กับ soft powerhard power ก็คือส่งกำลังรักษาสันติภาพเข้าไป แต่ถึงเวลาเลือกตั้งเป็นส่งสิป romise ส่งการพูดเข้าไปชีวิตคนเราเนี่ยเรียนด้านไหนก็จะทําแต่ด้านนั้นคือมีสัญญาความจำว่าฉันจะใช้กําลังฉันจะใช้อะไรต่างบ้านเมืองมันไม่ใช่บริหารด้วยโบนเดียวมันจะต้องหลายอย่างราชาการก็เหมือนกันส่วนงานก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้สัญญาอย่างเดียวไม่ได้บอกจํากันไปฟังกุ่นสื่อแนะนาอะไรก็ทำไปไม่ได้ ต้องคิดเองผู้บริหารต้องคิดเองด้วยปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาแปลว่ารู้รอบรู้ลึกมันไม่ใช่รู้รู้เป็นจุดอมันเชื่อมโยงความรู้ทั้งหมดเนี่ยซึ่งเขาไม่สอนกันในโรงเรียนท่านท่านเรียนมาตั้งแต่ปนหนึ่งมาเนี่ยจะจบปริญญาเนี่ยมีครูคนไหนเขาเชื่อมให้เราบ้างละ่ะตัวเราต่างหากที่เรียนมาเชื่อมศาสตร์ทั้งหลายเข้าด้วยกันแต่ขอโทษพอจะเชื่อมแนละ้วมันกลับไปหาครูหมดแล้ว เราเลยไม่มีอะไรจะเชื่อมเออนี่คือเรื่องหนึ่งเราจึงต้องไปเรียนเพิ่มหรือสองความรู้มันเกะกะไปหมดแต่หาการเชื่อมประสานกันไปได้การเชื่อมประสานกันเรียกว่ารู้รอบและยังรู้ลึกอีกมันไม่ใช่รู้ผิวเผินระดับระดับปรฐมมาเรียนแค่นี้ระดับมัธยมเรียนระดับปริญญาตรีนี่พอระดับปริญญาเอกเรื่องเดียวเลยเจาะทําวิจัยลึกไปเลยนี่คือปัญญาท่านลึกไปถึงตาน้ํา รู้รอบรู้ลึกเอา้าในชีวิตจริงเป็นยังไงท่านเจอคนคนหนึ่งมาติดต่องานท่านท่านแค่รู้ประวัติของเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนอย่างไรอันนี้เขาเรียกรู้รอบเปิดไฟลยก็รู้แล้วเออคนไข้คนนี้คนไข้คนนี้ประวัติมาปูมเนะื้การรักษาครั้งก่อนเป็นยังไงอะไรเขาเรียกว่ารู้รอบแต่รู้ลึกคือเห็นหน้าเขารู้ใจรู้นิสัยเขาไหมคนนี้ไว้ใจได้ไหมครบได้ไหมลูกน้องเราเนี่ยโอ้โหประวัติ ด, ดีแล้วเกินทํางานดีมา แต่เราจะมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องการเงินเนี่ยนิสัยก็เป็นยังไง ร, รู้หน้าไม่รู้ใจการรู้ไปถึงใจเรียกว่ารู้ลึกนะแล้ววิชาไหนสอนบ้างไม่มีรู้รอบเขาก็ไม่ได้สอนเพราะอาจารย์จะเข้าเลคเชอร์แต่เราวิชาท่านมีหน้าที่หาปัญญาเชื่อมกันโบราณเขาจะบอกว่าถ้าท่านมีปัญญานี้ท่านจะเอาอะไรทรัพย์นี้มิไก่ ใครปัญญาไวหาได้กว่านาทั่วแขว้นแดนดินมีสิ้นทุกสถานผู้ใดเกียดคร้านบ่ผ่านพบเลยมันมันมีให้เรียกว่าเพราะฉะนั้นเราได้แต่ไปดูคนอื่นโอ้ถ้ามันมันรวยเร็วทำไมมันรู้จักคิดสร้างสารรค์มันรู้มันมีอหาช่องทางทำมาหา ก, กินดีโดยที่สุจริตสุนี้เราทำาพราะมันทำไปแล้วเราค่อยทำตามกันเลยเลยราคาตกหมดเลยไม่รู้จักหาแนวทางใหม่ๆ ข่ะปัญญารู้รอบรู้ลึกรู้มากกว่าที่เห็นเข้าใจมากกว่าที่ฟังเอ่อทีนี้ถ้าในทางพระนะท่านเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทเชื่อมโยกสิ่งต่างอาศัยกันและกันเกิดขึ้นรู้ไตรักเห็นอ น, นิจจังทุกขงงังอ่านต่างรู้ลึก มี2อย่างนะปัญญาในทางลักษณะท่านนั่งกรรมฐานนี่ทําไมรู้แล้วละรู้แล้ววางปล่อยวางเพราะท่านเห็นไม่เที่ยนเป็นทุกเปลยนหาตานี่คือรู้ลึกมองมองดูสิ่งต่างๆนี่ไม่มีแกนสารนี่คือรู้ลึกแต่ไอสิ่งที่ไม่มีแกนสารมันเกิดมาได้ไงเพราะมันเชื่อมโยงกันโดยระบบโดยตัวมันเองมันอยู่ไม่ได้แต่มาทํามมันมีมันมันไม่มีแกนสารมันว่างเปล่ามันแล้วมันอยู่ได้ไงท่านทั้งหลาย ไมโครโฟนมันมาจากอะไรมันมาจากเหล็กจากนูอย่างนี้แล้วโดยสุดมันเป็นอะไรอะตอมนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนเปอนอะไรเป็นประจุไฟฟ้านิวตรอนมันอยู่ได้ตัวเองไหมไม่ได้มันต้องเโปรตอนอิเล็กตรอนมันต้องวิ่งวนนิวเคลียสเห็นไหมข้อแยกจากการมันว่างเปล่าการมองไปถึงแก่นเราเรียกว่ารู้ลึกแต่เราเห็นไมโครโฟนประโยชน์ในการใช้สายก็เลยรู้รองแต่มันมาจากอะตอมเหมือนกันนี่คือปัญญา ปฏิจจสมุบาทกับใจรักในทางพุทธศาสนอ่าทีนี้เออนี่ไม่ใช่ว่าเราไปตัดแบ่งเป็นส่วนๆแล้วเชื่อมกันไม่ได้มันก็ไม่ใช่องุ่รวมมันไม่ใช่ปัญญาเนี่ยทีนี้เอาเอาปัญญาว่ารู้รอบนะทีนี้แต่มามาขอข้ามและทีนี้เวลาเดี๋ยวจะเข้าถึงวัตไปอยู่สักหน่อย ยังไม่ถึงวัดเลยนะไปไหนก็ไม่รู้เลยนะอ่าอ่ า, อาเอาเรื่องเรื่องปัญญานะสรุปอย่างนี้ท่านอย่าไปท่านเจ้าจะต้องฝึกตัวเองเนี่เอาประโยคนี้กันล้วกันสองคนโซคติสเนี่ยโซคติสบอกว่าเราต้องถ่อมตัวโซคติสบอกว่าหนึ่งเดียวที่ข้าพเจ้ารู้คือรู้ว่าข้าพเจ้าไม่รู้อะไรพอรู้ว่าโง่ในเรื่องไหนเราจะได้ไปเรียนในเรื่องนั้นมันก็เลยรู้มากขึ้น เอเอเรียกว่าเออเรียกว่าการถ่อมตัวแบบสงคติสพระูุทผยเจ้าพูดไว้คล้ายๆกันนะเป็นภาษาบาลีว่าโยพาโรมัญตีภรรยงอะไรเงี้ยนะแปลว่าอย่างนี้คนโง่ที่รู้ตัวเองมึงโง่คือมีสติรู้ว่าฉันโง่ในเรื่องไหนยังมีโอกาสเป็นคนฉลาดได้บ้างแต่คนโง่ที่หลงคิดว่าตัเองฉลาดโง่แท้ๆ เพราะฉะนั้นมาตรฐานมันอยู่ตรงนี้เราต้องสํานึกว่าเราห่างจากมาตรฐานเราจะต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาจึงจะพัฒนาได้คือพัฒนาปัญญาฉะนั้นสมเด็จมหาวิรวงศ์ท่านเคยสอนว่าโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากให้คิดทานชีวิตจากลุ่งโรดโซทิผลต้องรู้โง่รู้ฉลาดปรากเบรื่นตนโง่สิผลดีก็เวณีเก่งเดี๋ยวเดียว ไม่ใช่ว่าเราเป็นหัวหน้าเราจะฉลาดในทุกเรื่องบางเรื่องเด็กรุ่นใหม่เขาเรียนวิชาใหม่ๆอัพเดต ม, ม่แม้แต่การณ์การแพทย์ น, นะลายเส้นหมอในบริการจะต้องไปอบรมอยู่เสมอเพื่อให้มันทันยาสมัยใหม่อะไรสมัยใหม่เพราะฉะนั้นหมอรุ่นเก่าถ้าไม่ไปเรียนไม่ไปอัพเดตก็สู้รุ่นใหม่ไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราไม่ยอมรับฝัามโง่เราก็เป็นใหญ่ไม่ได้โง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากให้คิด ทาชีวิตจะลุ่โลดสนิบหมต้องรู้ว่าเมื่อไรควรจะโง่รู้ฉลาดปราเปรื่องตนโง่สิทธิผลดีก็เป็นเก่งเดี๋ยวเดียวแต่อย่าโ ง, ง่แนมเรียนเกินไปบางคนรู้ไม่ไดิดอยากจะเป็นใจเรื่อโง่อยู่นั่นแหละเ <c oughs> มื่อไรควรจะโง่เมื่อไรควรจะฉลาดเนะี่ยพระท่านหมายถึงอย่างนั้นอ่าผ่าเรื่องของกําลังใจวิริยะกล้าหาญ คำว่าวิริยะมาจากคําว่าวีระแปลว่ากล้าหาญกล้าหาญคนที่ขยันนี่แปลว่ากล้าเผชิญความยากลำบากนะสังเกตไหมคนตื่นมาแต่ดึกทํางานอะไรต่างนี่ยอมลำบากเขาเรียกว่ามีวีระกล้าริเริ่มทันตัวในการสนับสนุนกล้าริเริ่ม คนที่ขยันต้องกลาเหมือนท่านจะเริ่มกิจการอะไรก็ตามเริ่มส่วนงานเริอ่มอะไรต่างท่าจะกล้าตัดสินใจเ้าเรียกว่าคนขยันและกล้าที่จะล้มเหลววิริยะนี่ยมาจากคำว่าวีรบุแปลว่ากลา้าคนขยันนี่กลา้าและได้เลยเริ่มเขาบอกว่าอัจฉริยะมีการที่สัญจรพามดการเริ่มต้นที่ดีเท่ากับสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งท่านเตรียมการอย่างดีอะไรอย่างดีสําเร็จเป็นครึ่งหนึ่งวางแผนอย่างดี สุภาเจิตพุภายสิยสยจิณเาบอกว่าระยะทางหมื่นลี้มันต้องมีเก้าแรกถ้าเราไปได้เริ่มไม่ขยันหมื่นลีล้เราก็ไปไม่ถึงมันต้องไปทีละเก้าลงตาแพร่ยี่ห้อยู่ว่าไปอยู่เนที่แต่งหนังสือชุดลงตาที่เขาทาเป็นหนังเนี่ยลงตาท่านบอกว่าล้มเพราะเก้าไปข้างหน้าดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่นี่คือคนที่ ปลุกใจตัวเองไงความขยันไม่ใช่ให้คนอื่นมาจี้เราไม่ใช่เต่าวัดไปยูนมันจะเดินต้องไฟไฟขี่มันเออแต่เราจะต้องเป็นคนที่ปลุกตัวเอง จ, จึงจะเรียกว่ามีวิริยะลุงตาใครย้ําไว้ฉันว่าอย่างนั้นโทมัสลไนเดอร์สันนี่ไม่พูดหละวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนพินาศให้เป็นพัฒนาเปลี่ยนปัญหาให้เป็นบทเรียน เดี๋ยวท่านลำดูนะอาธมาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างไรนะเจดีที่มันจะพังเนี่ยมันกลายเป็นโอกาสของวัฏจักรอย่างไรเมื่ อ, เ, อ, อเจดีมันเอียงมันจะพังแล้วกลายเป็นโอกาสของวัฏจักรอย่างไรท่านจับตรงนี้วันนี้ที่อาธมาพูดมานี่ทั้งปัญญาความรู้รอบรู้ทั้งวิริยะมาแล้วนะเดี๋ยวจะมาโยงถึงเรื่องเจดีวัฏจักรข้อที่สความซื่อสัตย์สุจริต ทำนั่คือหน้าที่ทําหน้าที่ให้มันดีที่สุดทำมันจริยสุจริตตังทําหน้าที่ให้มันดีที่สุดไม่ให้มันบกพร่องต่อหน้าที่ไม่ให้ทุจริตไม่ละทิ้งหน้าที่และไม่ทุจริตต่อหน้าที่นั่นคือสุจริตเดี๋ยวท่านอธิาจะให้ดูว่าที่อธิมาทําเรื่องเกลียดเรไปอยู่เนี่ยมันมันไม่บกพร่องต่อหน้าที่ไม่ละทิ้งหน้าที่และไม่ทุจริต่อหน้าที่อย่างไรแล้วท่านจะได้ไปดูไปดูงานตรงนั้น อันนี้คือข้อที่สามคือเรื่องซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เนี่ยมันไม่ใช่ทา ง, ง่ายๆเพราะว่ามันต้องสู้กับความเขาเรียก temptation สิ่งที่มาดึงให้เราออกนอกทางเอาเงินมากองอย่างเงี้ยเพื่อให้เราเอาของมีค่าของวัดขายไปอย่างเงี้ยได้เงินมาทันทีเลยเป็นล้านๆเนี่ยทําไมเราไม่เอานี่คือความซื่อสัตย์ไม่ไม่บกพร่องไม่ละทิ้งไม่ทุจริต แต่หน้าที่ทำไมพิธัณฑ์ยังอยู่นะและมีมูลค่าเพิ่มอีกจากเดิอมอีกไม่รู้เท่าไรเท่าไรเดี๋ยวเซอร์เซจะม า, า, าแสดงในนี้ให้ดูข้อสุดท้ายเราจมาพูดมามาหนึ่งฉลาดขยันซื่อสัตย์ฉลาดคือปัญญาขยันคือวิรยิยะซื่อสัตย์คือนวัชชะฉลาดขยันทำให้เกิดสมรรถภาพเก่งถูกไหมล่ะเอ่อ ซื่อสัตย์ทําให้ดีถูกไหมเป็นคนดีซื่อสัตย์ก็คือเป็นคนดีก็คือมีคุณภาพสุดท้ายสุขภาพความสุขมาจากไหนความสุขในการปฏิบัติราชการมาจากสังขารภาระท่ทั้งหลายมันมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอเมริกามหาวิทยาลัยฮาร์ร์ที่ไหนจำไ่ได้เขาศึกษาเจ็ดสิบห้าปีนัน้มีงานวิจัยอันเดียวที่ ศึกษาคนที่จบจากมหาวิทยาลัย น, น่าจะเอ็มไอทีหรือที่ไหนเนี่ยจำไม่ได้หรือมาวิก็ตามตั้งแต่อายุยี่สิบปีตั้งแต่เด็กเลยวัยรุ่นเนี่ยเลื่อยมาต่อเนื่องกันเจ็ดสิบห้าปีพอ อ, อาตายไปสามคนปัจจุบันเป็นคนที่สี่เขาศึกษาเรื่องอะไรท่านเขาศึกษาชีวิตคนทั้งระบบตั้งแต่หนุ่มเป็นวัยรุ่นจนกระทั่งตายเนี่ย ว่าเขามีความสุขมีความทุกข์กันอย่างไรมีขึ้นมีลงอย่างไรไม่มีงานวิจัยใดที่ต่อเนื่องขนาดนี้เพราะว่าส่วนมากเนี่ยจะเลิกการคันหรือไม่พอขออเลยเริ่มตายเขาก็เลิกแต่อันนี้ยังอยู่เขาพิสูจน์พบแล้วว่าตั้งแต่เป็นวัยหนุ่มสาวจนแก่เท่าเนี่ยคุณค่าของชีวิตอยู่ที่ไหนความสุขมาจากอะไร ในข้อที่ว่าสุขภาพนี่ยนะถ้ารู้ไหมงานวิจัยนี้เนี่ยเขาบอกว่าบันคนเนี่ยตอนหนุ่มสาวล้วต้องการเฟมชื่อเสียงต้องการมันนี่เงินต้องการ power อำนาจแต่ทุกส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยพอไปถึงอดำรงชีวิตมาเขามองย้อนกลับไปเนี่ยความสุขจริงๆอยู่ที่ไหนเงินมนให้ความสุขได้ไหน พอมีเงินแล้วสุขไหมไม่ใช่อำนาจก็ไม่ใช่ อ, อชื่อเสียงก็ไม่ใช่สุดท้ายเขาบอกว่าคนที่มีความสุขท่านฟังหนะ่อยให้ดีนะคนที่มีความสุขและสุขใจยังไม่พอสุขกายด้วยแล้วสุขภาพดีด้วยและอายุยืนยาวด้วยเนี่ยเขาดูตรงนี้ตายช้าด้วยมันไม่ได้มาจากชื่อเสียงนะชื่อเสียงทาให้โดนยิงตายเร็วด้วย เงินก็ไม่ใช่เครียดตายอีกอะไรอำนาจก็ไม่ใช่ปรากฏว่าคุณค่าที่ทําให้คนเนี่ยอายุยืนเพราะว่าเจ็ดสิบห้าปีถ้าศึกษาตอนที่เขาอายุยี่สปีเนี่ยมันก็เก้าสิบห้าเหลืออยู่สี่้าคนเท่านั้นแหละแล้วนั้นตายไปหมดแล้วตายหนุ่มตายเร็วตายช้าแต่ที่อายุยืนทุกคนตอบเป็นแบบเดียวกันหมดว่าสุดท้ายสิ่งที่เขาเห็นว่ามีคุณค่ามากที่สุดคือรีเลชั่นชิพ ความสำคัญท่านจะต้องมีคนที่ท่านสามารถเขาถอนยามป่วยยามไขย้ยามทุบมีใครที่จะไม่ทอดทิ้งเรามีใครที่หัวเห็นหนวกเห็นใจเราในยามยากมีใครที่ประคับประคองเราในยามลบมีใครที่ให้กําลังใจเราเราเรียกในภาษาเราว่าการายาณมิตรข้อที่สี่สำคัญที่สุด ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวที่ยืนยาวเนี่ยมันทําให้ประสบผลข้างนอกบ้านด้วยในที่ทํางานด้วยและสุขภาพท่านด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงสังเกตเห็นไหมคุณปู่คุณย่าเราอยู่ น, นานพอคนหนึ่งตายอีกคหนคหนึ่งหน่อยตายตาย่างหนึ่งและถ้าเกิดอายุยืนก็อายุยืนตาย ม, มาไปเรื่อยเพราะความสัมพันธ์คาวเกียตี้แต่ถ้าสัมพันธ์ไม่ดีรีบตายด้วกันต้นเลย <c oughs> อก็ใจตายหนีกันไปแล้วชั้นได้ฉั้นใด้คืออย่าได้ตามฉันมาอีกเลยเมันผลเป็นอย่างนี้ทีนี้ในที่ทํางานก็เหมือนกันนะท่าน ถ้าท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานกับผู้บังคับบัญชากับลูกน้องเนี่ยมันทําให้สุขภาพจิตท่านดีท่านมีความสุขและการทํางานเนี่ยมันจะอยากอยู่บางแห่งมีลูกน้องในที่ทํางานมาบอกจะม า, มาอยากลาออกกันทางนั้นเลยทําไมมันไม่มีความสุขความสุขในการทํางานในการอยู่ร่วมกันนั้นพรรษาพราะเลียว ก, กาเรนธรมิ การยามิทเพิ่มความสุขเป็นหลายเท่าลดความเศร้าให้น้อยลงพระพุทธเจา้าตรัสว่าปิยันจะอนทปานำเหียเมื่อมีข้าวน้ําบริบูรณ์เรานึกถึงใครคนอันเป็นที่รักมีทุกข์ร่วมทุกข์มีมีสุขร่วมเซมเพราะฉะนั้นเรื่องของการยามิทเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญสังฆผลักเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าคนที่มีมนุษยสิ่งมันดีเนี่ยนะมักจะมีอายุยืนยาวเขาไม่รู้เพราะอะไรแต่เขารู้ว่าคนที่เก็บตัวไอโซ a t e เนี่ย เก็บมากๆเวลาทุกเป็นไงท่านค่าตัวตายเพราะฉะนั้นที่ที่คนเขามักจะยามแก่เท่าเนี่ยเขาจะไม่เก็บตัวเขาจะไปไหนกันผู้ชายไปไห น, กนเกษียณแล้วอาตจจมาเห็นว่าสุภาพสตรีส่วนใหญ่นี่มาวาัดเกี่ว่าฟังเทศฟังธรรมเลยอายุยืนกับผู้ชายโอ้จาไว้นะเขวาวัดบ่อยๆเอาไปเป็นว่ า, ว า, วาการยมิตรคือสังหาสงเคราะห์กันเนี่ย ทำให้เรามีความสุขการให้กบกลังใจการยกย่องการดีต่อการพูดเพราะอัจริยาเนี่ยสังรมาจากอะไรหนึ่งทานรู้จักให้ปันอบอ้อมอารีสองปิยะวาจาวาจีไพโร สามอันถาจริยาสงเคราะห์ประชาชนสี่สมานรัตาตาวานตรงพอดีเสมอต้นตสมอไหอโอมควารีวจีายรอดสงเคราะห์ประชาชนวานตรงพอดีชีวิตท่านจะมีความสุขทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเอาล้ะที่นี่สมาจะพูดถึงาการทำงานที่นี่เราไม่ได้อยู่กันดานลำพังนะเวลาวัดไปยูดเนี่ยพัฒ น, นาเนี่ยนะอะ เรามีูกชุมชนเกี่ยวข้องด้วยรวมกันเป็นยูนิตใหญ่มากตอนนี้เราเรียกชุมชนตอนเขาเรียกชุมชนเรียกว่าตรงนี้ว่าย่านกดีจีถ้าท่านไปดูในสื่อเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยคนจะมาดูงานกันเยอะแยะเลยนะในห้องประชุมเนี่ยแตามาต้อนรับคนที่มาดูงานที่เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยเป็นชุ ม, ช, ม, ช, มชนต้นแบบต้นแบบเั็นไงเดี๋ยวแตามาจะเจีให้ดู เราไม่ได้อยู่กันวัดไปยูนข้าอ4อย่างเดียวนะเราอยู่ร่วมกัน6ชุมชนสามศาสนาสี่ความเชื่อเออถ้ามันเป็นาศาสนาเดียวอยู่กันกลมเดียวเขาก็ไปแปลกนี่สามศาสนาอะไรบ้างพุทธคริสต์อิสลามแล้วพุทธเองเนี่ยมันมีพุทธเถราวาทกับพุทธมหาใา่ยีสความเชื่อรวมกันที่สี่ความเชื่อ เรี่าสมศาสนาคือทั้งพุทธทั้งคริสต์ทั้งอิสลามเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็พุทธเถรวาทพวกมานก็เลยสื่ความเชื่อเอาท่านดูเนี่ยชุมชนกนูดีขาวเป็นมุสลิมอยู่มาตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนมัสยิดเขาเป็นรูปทรงไทยอาคารสรงไทยแห่งเดียวในประเทศไทยเพราะสร้างไว้เก่าแก่ไม่ใช่แบบสุลามทั่วไปชุมชนวัดวัดกะระยาเป็นชุมชนพุทธผู้ดีจีนสังตะครูดเป็นคริสต์ โบสซาตาครูซวัดประยุรวงวปุภาลามลงถามนี่เป็นพุทธสรุปแล้วสเนี่ยเป็นพุทธเป็น Majority แล้วก็รวมกับคริสต์นะอิสลามแล้วเราอยู่ร่วมกันยังมีความสุขอย่างไรอาสมาจะเล่ายกตัวอย่างกรณีกรณีเป็นกรณีศึกษาให้ท่านดูที่ใครมาดูงานอาสมาก็จะหละับ น, นี่นี่นี่คือชุมชนยากก่านกระดีจีน เ, เริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะ เนี่ยเนี่ยตั้งแต่คลองบางหลวงมาเนี่ยจนมาถึงสะพานพุทธเนี่ยนะท่า น, นเนี่งพื้นที่เหล่านี้ยคนเป็นหมื่นคนอยู่ในกันงปกชุมชนตรงนี้คือมัสยิดกูดีขาวอิสลามมาตรงนี้ถ้าท่านเรียบไปน้ํานีเอาเรียบไปน้ากันละกันนี่คือวัดกะรยาตรงนี้คือสานเจ้าเกียรอันเก่งนี่สานเจ้าเกียรอันเก่งเป็นสานเจ้ามาหายาญ่แล้วถัดมานี่คือโบสถ์ซานตครูส เลยที่ท่านกำลังอยู่ตรงนี้คือวันระยูนยมีเจดีท่านลองดูซิว่าชุมชนในกรุงเทพเนี่ยมันรู้จักกันเรื่องอะไรมันต่างคนต่าอยู่มาจากข้างนอกมาอาศัยพักเป็น เ, นเหมือนโรงแรมแต่ที่นี่เขามีความรักชุมชนแล้วเขาพัฒนาร่วมกันนะพัฒนาร่วมกันอย่างไรอาตมายกตัวอย่างแค่ทําเรื่องเจดีย์องค์นี้วันระยูนเนี่ยะจะเอาเจดีย์วันไปยูเป็นตัวตั้งนะแล้ท่านไปชม วัดประยูนสร้างปีพศ2371ร้อยเก้าสิปีแล้วปีหน้าร้อยเกิบปีโดยสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาปยุระวง์ดินบุญนาคสมัยที่ดำรงตำแหน่งเจ้าพยาพระคลั ง, ท, ง, ท, งที่กรมมาท่าและสมหวังพระกะลาหมสมโพธารามปีนี้ถ้าเรารู้แค่นี้เนี่ยเราไม่ซึ้งหรอกท่านอนาตมอยู่ที่ําตมาจะพูดประวัติเลยว่าคนสร้างวัดประยูนเนี่ยชื่อผิดเนี่ยพ่อของท่านดิดชื่อบุญนาค เพราะฉะนั้นเขาเป็นต้ตระกูลบุญนาคบุญนาคเป็นคู่เขยของราชการที่หนึ่งพ่อของบุญนาคเป็นเจ้าพญาเพชรพิชัยเจ้าพญาเพชรพิชัยเนี่ยเดิมเป็นมุสลิมอ่าเดิมเป็นมุสลิมแล้วอยู่ในสมัยพระเจ้าอยู่พระบรมโกศเป็นพญาเพชรพิชัยใจเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยชอบไปประพาสพระ พุทธบานสลับุรีเป็นธรรมยาตรายกคณะไปเรียกว่าไปคานแรมเลยแหะและเอาข้าจะบริสรพลนเสนอมมาอามันตามสเสด็จไปด้วยพญาเพชพิชัยใจนี่อยากจะไปด้วยเขาไม่ให้ไปไปถามว่าทำไมเพราะคุณเป็นมุสลิมถ้าคุณเปลี่ยนศาสนาเราจะให้ไปพญาเพชพิชัยใจซึ่งต้นตระกูลเป็นมุสลิมมาจากปเปอร์เซียสมัยพระย้อนกัดสายแสลก่งสกุลบุญ่าเขาจะทําให้หมดและเชื่อมตั้งแต่คนแรกเลยชื่อเชกอามันกุมี สมัยพร ะ, ะเนรเสวนเป็นมุสลินด้แท้แล้วก็อยู่มาเป็นเจ้าพญาเป็นพญากันมาจนถึงพญาเพชรพิจัยก็ยังเป็นมุสลิมอยู่พญาเพชรพิชัยบอกอยากตามเสด็จในหลวงบอกต้องเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยเป็นพุทธพญาเพชรพิพชัยใจยก็เลยไปไหว้พุทธ บ, บาทกลับมาเป็นพุทธแล้วก็ได้เลื่อนเป็นเจ้าพญาเพชรพิจัยเป็นเจ้าพญาเพชรพิชยัยใจสายสกุลบุญนาคที่สืบมาจากตรงนี้เป็นพุทธคือท่านบุญนาค บุญนาคก็มีลูกชื่อท่านดินที่มาสร้างวัด น, นี้สมัยรัชกาลที่สามเห็นไหมพูดแค่นี้เราก็ให้เห็นว่าชุมชนที่นี่มีความหลากหลายกันแล้วเชื่อมมุสลิมได้และและวท่านดิษบุญนาคเนี่ยเป็นเสนาบดีนะสมัยนี้เป็เสนาบดีกรมมาท่าคืคอกระทรวงต่างประเทศเรือมันจะมาเทียบหน้าวัดประยูนนี่แหละเสื้อจอนบาร์ริงเวลามาเจรจาความเมืองทําัวอย่างมาที่หน้าวัดประยูนจนท่านดิษนี่แหละ หมอรัดเล่ ก, ก็มาอยู่ที่หน้าวัดไปอยู่นี่แหละเพราะนี่คือที่ชุมชนชาวต่างชาติที่เหมือนกับโซรภูมิตอนนี้กันละกันคนมาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นตอนที่ฉลองวัดเนี่ยวันที่ส3บสามมกราคมเนี่ยวัดทั่วไปไม่รู้เลยฉลองตอนไหนแต่วัดไปอยู่รู้เพราะอะไรเพราะหมอรัดเล่บันทึกเอาไว้ทาไมหมอบัดเล่บันทึกเพราะตอนฉลองวัดจุดท้าเล่นไอ ไอ้เขาเรียกว่าพลุตะไลเนี่ยนะไฟผนียงเนี่ยเอาปืนใหญ่คว่ำลงซึ่งตอนนี้ท่านไปดูมีสามกระบอกอยู่ที่เขาหมอบรัดไปอยู่จึเรียกว่าปืนสามกระบอกอขวานสามหมืนปืนสามกระบอกหอกสามแสนอยู่ตรงไหนท่านไปดูเองครับตอนนี้มีมีปืนสากระบอกฝังดินอยู่มันระเบิดตอนทําไฟเนียงจะไสไหลออกมาแขนผู้สร้างวัดคือท่านบิดไปตามหมอประเรมาพาตัดทั้งแรก ที่วัดประยูนไปดูประวัติการแพทย์ท่านไปดูท่าหรือท่านรู้แล้วก็ไปดูนะไปดูแล้วก็ไปดูปืนสานกระบอกเขาก็จะเขียนไว้เลยเนี่ยไอเนี้ยเป็นเหตุวัดประยูนนี่แหละเพราะฉะนั้นสนาน้อใหม่ต้องมาวัดประยูนนี่ที่กําเนิดการแพทย์สมัยใหม่เออนี่มาดูงานด้วยนะท่าพอนะโอ้แล้วเจ้าว่าที่บายเองด้วยต้องเออนี่ไม <c oughs> <c oughs> ่โยกันตามเราดับเลยนะ หมอบ้านเร่าตัดครั้งแรกแพ้แผนใหม่เริ่มที่วัดประยูนยปืนสามก็บอกยังปักอยู่แล้วก็เขียนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษอยู่ในเขาหมอใครมาไม่เห็นไม่ได้ถ่ายรูปด้วยถือว่าไม่ถึงวัดปยูนอ่าแล้วเล่าต่อ น, นะ <S <S ทีนี้นโยบายของเราเนี่ยพัฒนาชุมชนหกชุมชนโดยบ้านวัดราชการ บ้านก็คือชุมชนวัดก็คือโบสถ์มัสยิยดด้วยและต็ราชการทั้งหมดสำนักเทศบาลเกณจรโรงเรียนอะไรต่างมาช่วยกันอาตมาใช้สองสองวิธีหนึ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามสแสวงจุดร่วมสมหวดจุดต่างแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือให้เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมไปเยยนการประชุมร่วมกันสแสวงจุดร่วมสมหวนจุดต่างก็คือทำโปรเจกต์ร่วมกัน ท่าจะทําให้คนสันธ์คีกันโดยเรียนรู้อย่างเดียวไม่ได้มันมันไปนามมันมันอยู่ข่างกันเราต้องเอาเขามารวมกันเอาผู้นําศาสนาเคยเห็นวัดไหนบ้างทั้งอิหม่ามทั้งบาทหลวงทั้งเจ้าวาดมาขึ้นยูเอทีเดียวกันเวลามีงานเนี่ยวัดประยุทธ์มีแต่เพราะว่าเราทให้ทํางานร่วมกันเช่นร้อยกระทงเนี่ยเราจัดร่วมกันแถลงข่าวเราร่วมกันพอทํางานร่วมกันไปนานๆเนี่ยอะไรที่มันร่วมกันเราจะสาพันธ์คีกันส่วนเรื่องศาสนาต่างกันเราไม่พูดถึง มันก็เกิดความสา ม, มัคคีเพราะรู้กันนี่เออคนนี้เขาหวังดีนะเขามุ่งประโยชน์นะอะไรที่ต่างกันก็จะไปพูดถึงอันนี้แสวงจุดร่วมเอาละธรรมา จ, จะเล่ายกตัวอย่างว่าอรรมาซ่อมเจดีเนี่ยแสวงจุดร่วมอะไแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรแสวงจุดร่วมสรุปจุดต่างอย่างไรและใช้ธรรมะที่ว่ามาเนี่ยสข้อเนี่ยฉลาดขยนันซื่อสัตย์รู้สัมพันธ์อย่างไรตอนที่ธรรมาเป็นเจ้าวาดวัดปัญยุรปีสมยสี่สิบปเนี่ยสิบสองปีมาแล้วเนี่ย เ, 1, 24, เ, เจดีนิเอียงไปหนึ่งมตรยี่สิบเซนไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาลงไปทางเทสกิจนั่นแหละที่เอียงเพราะอะไรโดยให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมราเจ้าคุณทหารลาดตะบางเนี่ยมาช่วยวัดอาตมาเอาราชกระเบนมาชว่วยตั้งต้นเพราะอะไรเพราะประวัติศาสตร์ท่านท่านดิดบุญหน้าคนสร้างวัดมีลูก คนโตชื่อสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาศรีสุริโยคช่วงบุ่นหน้าเป็นคนสร้างเจดีสําเร็จวัดไปอยู่เนี่ยท่านดิบบุญ น, น้ามีลูกเป็นเจ้าคุณทหารเจ้าคุณทหารนะแล้วแล้วแล้ ว, ลวเทคโนโลยีรากกระ b เรียกอะไรเจ้าคุณทหารรากกระ b a n อ่าเพราะฉะนั้นเมื่อชื่อคุณเนี่ยเป็นลูกต้องมารับใช้วัด น, นี่เอ เออเออเห็นไหมมาแล้วมาแล้วพูดมากันเป็นแถวไปเลยแล้วอะไรไม่อะไรนะเจ้าคุณทาหารมีลูกสาวชื่อท่านเลี่ยมบุตรหน้าแต่งงานกับหลวงรถมีที่ห้าพันไร่ไม่รู้จะไปไหก็บริจาคสร้างตรงนี้ไร้กระ บ, บังเนี่ยแต่ถ้าเป็นมุสลิมนะ่ท่านเลี่ยมนะ่เวลาตายไปลูกสาลูกหลานโกรธเลยไม่ทำบุญให้เลยศพเอาไปฝังทิ้งเลย ไม่รู้อยู่ที่ไหนหากันไม่เจอร่ากันบางหายไม่เจอที่เจงมาฝังอยู่วัดไปอยูนี่เลยร่ากบังเลยต้องมาทํางานทํำบุนทุกปีอาตมาก็เลยใช้ดูเรื่องเจดีนี่แหละเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ช่วยนะเออเหมือนกับผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยานตมมาที่นี่แล้วต่อไปเตามหมอบั้นเล่มาแล้วเออเจดีเป็นเียงร่ากะบังดูแล้วเบส20เซนพระในวัดบอกหลวงพ่อจะทําไงดีอาตมาบอกซ่อมด่วน ไม่ต้องซ่อมนะให้มันเอียงไปเป็นโอปเอนพิซ่าเป็นของแปลกเอขาว่าอย่างนั้นไอ้ที่เกียรซ่อมอยู่มา180ปียังไม่เคยซ่อมเลยเพราะฉะนนั้เอียงต่อไปเออเขาว่าอย่างนั้นแต่มาบอกว่ากลัวจะไม่เป็นพิซ่าเที่อ้อยพิซ่ากลัวจะเป็นพระธาตุพนมเหมือนสิเออมันจะทับเจ้าวาดเป็นแต่ๆในเวลาโค่นเพราะฉะนั้นซ่อมเลยสภาก็ซ่อมสั่งซ่อมนี่ดูที่ว่าเก่าขนาดไหนก่อนซ่อมเนี่ยท่านท่านดูอาคารทางเข้านี่นะ หยุดใช้มาตอนนั้นตอนมาเปานจังหวะหกปีฝนรั่วหมดเลยลูโห่เจดีตัวนี้เขาเรียกว่าแตกจนเอามือใส่เข้าไปได้ฝนมันก็เข้าไปข้างในมันจะพังแล้วเนี่ยอในในที่สุดถ้าขืนเอาไว้เนี่ยคงไม่ได้และข้างในนี่มีแต่อัฐีคนที่คนตายนี่ยนะเป็นพันๆเลยท่านใครเข้าไปเนี่โอ้โหหวังเวงนะ่ากลัวมากไม่มีใครเข้าเลย แต่บริษัทภาพยนตร์ชอบมาขอสร้างภาพยนตร์มัน ว, ว, วุอะไระ่ะ oh วังเวงนะเออบริกาทนี้ละเกินอันตามาเป็นเจ้าว่านี่อยากจะโปรโมทให้คนมาชมเจดี น, นีไ่ใครมาล่ะบริษัทเราวภาพยนตร์ทำหนังสือมาขออนุญาตสร้างนะบริษัทสุดท้ายก่อนเราซ่อมเนี่ยนะ <S <S> <S ชื่อภาพยนตร์ที่สร้างชื่ออะไรโอปปาติกาทนี่นี่โอ้ยไม่เศร้าใจละเกินอัตมาเลยซ่อมเลยนะซ่อมจะดี พอซ่อมแล้วไม่เห็นหนังผีมาสร้างอีกเลยเสร็จแล้วก็สมัยเอียงนะท่านมันมีแกนกลางหักแกนกลางนี้ก่ออิดหนักร้อยสี่สิบสี่ตันสูงไปถึงช่วงนี้แล้วมันหักที่โคนพิงไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าใจว่าในสมัยสงกามโลกน้ําเลินลงมาสะพานพุทธเนี่ยนะแผนนี้มันสะเทือนแกนหักก็นี่แกนนี้แหละท่าน ต้องเอามาตั้งให้มันตรงวิธีเนี่ยตอนแรกท า, ากับบาง้งแรกกระบังบอกให้รื้ออิฐแต่ละก้อนมาแล้วก็ก่ออิฐใหม่อะไรใหม่ออาแกนเหล็กดามกรมสินไม่หยอกบอกมันเป็นเทคนิคเดียวในประเทศไทยที่เหลืออยู่เป็นเทคนิคสมัยอุทยาที่เจดีข้างในนี่เป็นโพรงนอกนั้นตันหมดนะท่านสมัยนี้ถ้าสร้างก็เป็นเสาแต่ที่มุดเข้าไปได้แล้วเป็นโพรงเนี่ยแล้วมีแกนด่าเหลืออยู่แห่งเดียวในประเทศไทยคือวัตถุยูนสูง 60เมตรท่านสูง60เมตรปรากฏว่าแกนมันหักต่มาทาสีข้างนอกแล้วจะซ่อมจะรื้อเขาไม่ให้รื้อเขาบอกว่าท่านเจ้าหาทางยกให้ ม, มันตั้นตรงตร ง, ตรงนี้แหละที่ว่าปราบเซียนหนึเอาแม่แงรงผลักไปถ้าเกิดมานสวิงไปทางหนึงเจดีย์ก็พังโอเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีช่างที่ไหนจะอ่านสมาเลยเนี่ยกลัวทําให้ของโบราณเนี่ยลงทะเบียนพังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากเนี่ยเจดีย์ตรงนี้เสร็จแล้วก็ อาคารเนี่ยนะเก่ามากอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยฝนรั่วอามาก็ซ่อมนะซ่อมอย่างที่ท่านเห็นทาศีก่อนยังไม่ได้ซ่อมแกนม่างแล้วเราก็ไปได้พระธาตุมาจากพระบรมสารีริกธาตุเจ็ดสีลังกา <cer ning> เพื่อจะมาบรรจุข้างในแต่ไม่รู้จะไว้ตรงไหนสมาชิกประชุมกันกรรมาการก็บอกว่าไว้ข้างโขนไว้ข้างล่างสมาชิบอกทางที่ดีนะเราปีนไปประชุมอยู่ข้างบนไปดูงาน กรรมการสุด ม, มากเป็นผู้ช่วยเจ้า ว, วาดอายุมากๆแปสิบแล้วเท่านั้นบางองค์บอกเจ้าวาดยังหุมปีนเองอตม า, าบอกไม่ปีนหรอกแต่ถ้าอาจารย์รองสาราจารย์สมสักจากราชกระบอกเนี่ยสามเวทวิถีเนะี่ยลองกล้าปีก็จะปีนอาจารย์สเล่าบอกปีนกับเจ้าวาดปลอดภัยได้บุญผกปีนเอที่ประชุมเลยมีมติปเป็นเอกฉันท์ให้เจ้าวาดปีนเพียงรูปเดียวท่านดูสิเนะี่ยเป็นหัวหน้ามันลาบากระ บ, บนขนาดไหนลูกน้องไม่ยอมปีนเลยท่าน อาตมาก็ไป น, นัดเอาวันที่เขาจะทอดกระถิ่นเขาะจะทานแปดโมงเชา้าพอเขามาบอกไม่ว่างจะรับกรถิน่นเลยให้เลขาพระหนุ่มๆไปปีนแทนถ้าเลขาบอกว่าไงผมจะอยู่รับกรถินตอนบ่ายหลวงพ่อบอกให้ปีนในสุดไม่มีใครปีนท่านรอเจ้าว่าดซ้อมกรถินเสร็จอาตมาต้องปีนเองเนี่ยเนี่ยปีนไปเนี่ยนะถ้าเนเป็นเหล็กจะปีนผ่ผูนี่นะขึ้นไปถึงตรงนี้เนี่ยห้าสิบห้าเมตรเนี่ย อยู่ตรงนี้เห็นวัดโพวัดพระแก้วสิริราชแล้วเะยาบหมดเลยนะี่ยนี่น <S <S <S เลขกูพูเนี่ยตรงเนี้เป็นป้องฉันไหนสุดท้ายมันใหญ่มากนะเวลาขึ้นไปอยู่เนีดูข้างนอกข้างล่างมันเล็กเลยเลขกูผูคนก็ถามว่าท่านอธิฐานอะไรอาตมาก็อธิฐานให้ลงได้ปลอดภัยนะที่แต่จริงๆเนี่ยอาตมา ก, กาลังสื่อเนี่ยอันนี้เขาเรียกบุญเน่ยท่านสื่ออะไรบางอย่างเนี่ยเกินความรู้สึกลงมาปุ๊บเนี่ยเราบอกว่า บนเจดีเนี่ยมีภ า, าษาลีนิคธาตุอยู่แล้วไม่ต้องเอาของต่างประเทศมาหรอกหาให้เจอเท่า น, นั้นเนี่พอลงมาตอนเยน็นจะมาเรียกประชุมเลยบอกว่าเราไม่ต้องเอาพระธาตุศีรกะเนี่ยนะ้นอยากขึ้นไปเลยข้างบนมีอยู่แล้วเพียงแต่หาไม่เจอเท่า น, นั้นโบราณเขาบรรจุไปแล้วสมัยไี้เออทีนี้พระก็บอกว่าพระอาคูใหญ่ก็บอกว่าผมอยู่มาอายุแปดสิบไม่เคยเจอไม่เคยมีไม่เค ย, ไ, เคยได้ยินมีเขาก็บอกไม่มี อาตมาบอกใครไม่แ ล, แล้วเราข้อถามว่าอาตมารู้ได้ไงเ<ม>้าบอกอ่ะใครไม่เชื่อปีนเองก็จะรู้ว่ามีเชื่อกันเป็นแถวเลยท่านสาธุเลยสํารวจก็ส่งทีมขึ้นไปสํารวจอีกสองสามวันนะพระห้าขราวัฒห้า 5. เนี่ยขึ้นไปตามเนี่ยไปสํารวจเคาะปูตรงไหนก็จอดตรงนั้นสามชั่วโมงเขาขอลงท่านบอกไม่มีไม่มีอาตมาก็นึกว่าถ้ามีเราก็ล้มเหลว ถ้าไม่มีก็ให้รู้ไม่มีอาตมาก็เลยบอกว่าตอนอนี้ทนะ่านมีโทรศัพท์มือถือตั้งเขาก็หาอีกสิบห้านาทีก็ขอลงต่นั้นบอกตอนีกทนเนี่พอพนะ อ, อกำลังคิดว่าครั้งที่สามถ้าเขาบอกขอลงเราจะให้ลงหรือไม่ตอนนั้นจะหบโมงเย็นแล้วอันนี้แหละท่านที่ตอตมาพูดว่าวิรยิยะอยู่ตรงนี้วิรยิยะคือความกล้ากล้าที่จะบอกว่ามีและไม่ยอมแพ้ คนอื่นบ้านมีแล้วก็หนีไปหมดเลยตอนนั้นเรือตะมาคนเดียวกับคนโทรศพัพท์ตอนนั้นเนีอยถ้าไม่ได้เรื่องเลยเขาก็ด่าเจ้าว่าเพี้ยนแต่มาไม่ให้ลงมี่พอาะเขาจะโทรครั้งที่สามเขาโทรมาจริงๆเขาบอกพบแล้วท่านครั้งที่สามมันอ่ะเขาขอลงตะมาดื้อครั้งที่สามจึงบอกว่ามีอตะมาบอกใช่งั้นไม่ต้องเอาไม่ต้องเปิดเองนะเป็นยังไงบอกเจาะไปแล้วเห็นเสียรพระส่องไฟนี้เห็นตอนบอกแล้วเป็นงไงเป็นอิดปิดไว้ ชาสีขาวบอกไม่มีทางรู้เลยท่านอยู่มาเป็นร้อยปีอะตมาบอกถ้าอย่างนั้นนะอย่าเอาอย่าเปิดเองนะเดี๋ยวเจ้าวัดล้วประชาการเองจะมาไปไปคุมเลยเปิดออกมาแล้วก็ถ่ายรูปไว้ทันทีเลยนี่ก่อนที่เอาของลงเนี่ยมีกระดานชนวนบันทึกทำกรอบไม้ผู้มดแล้วดึงออกมาไม่มีกรอบเหลือมีอู่ใส่พระ พระพระทองค า, ง า, ง า, งางอย่างนี้แล้วมีภาษาลีกันาตแล้วเขาเห็นเสียรพระองค์นี้และข้างๆมีบาทมีพระองค์เล็กๆ เ, เป็นพันชิ้นอาตมาอุ้มบาทลงมาเนี่ยพอถึงข้างล่างแตกเสี่ยงละเอียดมาเลยนี่คือภาษาลีกทาตอยู่ในเจดีย์แล้วก็มีแผ่นทองห่อหุ้มอยู่หนังสือพิมพ์ลงพาดทั้งทีวีมากันทําข่าวว่าวัดดังตามกรุงกรแตก <laughs> พวกเศรษฐีเซียนมากันเพียบเลยท่านขอเช่า <c oughs> เท่าไรก็ได้กี่ล้านก็ได้เพราะเขาไปขายต่อเยอะเพราะหนังสือพีคโฆษณาอย่างดีเรตติ้งกำลังขึ้น <c oughs> บอกท่านจะได้เงินซ่อมจะดีนี่คือ temptation อาณาาอาาซ่อมโดยใช้ปัญญาของราชกบงังแต่วิริยะ6ตอนซื่อสัตว์ตรงนี้ท่านอนวัติะ ผู่คนมาขอเช่าอธมาิมนึกว่าทําไมครูแตกแล้วไม่เหลืออยู่ที่วัดให้ดูเลยตรงนี้เองท่านคนเศรษฐีซื้อไปหมดอธิมารประกาศผ่านสื่อผ่านหนังสือพิมพ์ไม่ให้เช่าไม่ขายนี่คือมรดกของชาติสมบัติพระาศาสนาจะมาพูดผ่านทีวีผ่านหนังสือพิมพ์มรดกของชาติสมบัติของพระาศาสนาถ้าพวกเศรษฐีเช่าไปคุณก็ไหว้อยู่คนเดียวนี่เราจะให้คนทัวโลกมาไว้ เขาไม่มายุ่งเลยสินี่เรมาประกาศอย่างนี้แล้วแล้วท่านจะไว้ที่ไหนอาจารยกกซ่อมอันี้ให้เสร็จเร็วๆสิเราจะโชว์ให้ดูเป็นพิธภัณฑ์เลยเนี่อาคารหลังเนี้ยบริจาคมาแค่หกล้านเองก็มีคนมาช่วยกันซ่อมนะบริจาคเงินทันทีเลยในที่สุดแป๊บเดียวเจดีข้างนอกนะเสร็จอย่างที่ท่านเห็นนี่ภาพนี่เนี่ยตรงเนี้คือกลุ่มแตกสมเด็จพระเทพมาสเสด็จมาอัญเชิญพระท่านห้ามีเก้าองค์ห้าองค์นี่ อ, ยอยับปึไว้เพียงเดิมในช่องนี้ และเราก็ซ่อมทางเข้าเสร็จจะดีนี่คือหลังนี้เป็นศิลปเป็นหอสมุดอ่านประชาชนแห่งแรกในประเทศไทยสร้างมา120ร้อยสามสิบปีผูกพังมากแต่ว่าท่านไปดูกันะกันเป็นศิลปะแบบผสมยุโรปด้วยงดงานประเทศมาเปิดป้ายเป็นพิพิธภัณฑ์พรับไปอยูาา่บันดาลคางในมีพระที่เราได้จะกรุ นี่พระสมเด็จแล้วก็เศรษฐีก็มาแล้วเอาพระทองคํำผอะไรลมาบอกว่านี่ผมเก็บเอาไว้เป็นสิบปีเช่ามาสี่แสนเครียดกลัวโจทย์ล้นจะหลอมขายก็กลัวบากมาถวายใ้ท่านเฝ้าแทนกันละกันอาตมาบอกว่าทองจริงหรือทองปลอมขอพิสูจน์กันนะถ้าเกิดทองปลอมอาตมาขี้เกียจเครียดฟรีฝากโน้นมันมีร้านทองเยอะพาภูรัตเนี่ย ง่าจะตายถ้าใครพระทองคาไหมถ้านเนี่ไปให้ร้านที่เนี่ยเขาขีดนิดเดียวแล้วก็เอาเลเซอร์ยิงท่านมันจะปิ้งออกมาเลยว่าพระองค์นี้ทองกี่เปอร์เซ็นต์เลกกี่เปอร์เซ็นต์รถไม่ไม่มีทางโดนหลอกเลยวัดไปยูนี่ยเราใช้ปัญญาปร <c oughs> ากฏว่าองค์นี้ท่านทองเป็นกรุกนาคามนะสูงขนาดนี้ท่านไปไปแล้วจะดูนะอายุพันปีคนเห็นแต่ดินเผาไม่เคยเห็นทองนี่องค์นี้ทองทองคำเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์มีสามองค์องนอนสององค์ ยืนหนึ่งองยังอยู่ในพิธภัณฑ์เน่ยยัง อ, อยู่เป้าอย่า <c oughs> ง, งดีนี่คือพระของคำที่เห็นรอบๆภาษาในีิกระทา่าและเมื่อสองปีที่แล้วทายาทของตระกูลบุญหน้ามองปริมบุญหน้ามาหาตมาบอกจะพระมาถวายเอารูปมาให้ดูก่อนตมานึกว่าพระสูงแค่นี้ก็อพอดู เ, อ เ, อ เ, อเป็นพระสูงร้อยห้าสิบสององห้าสิบเซน อย่างที่เห็นในภาพเนี่ย เ, เป็นยุคของก่อนสุขโข ท, ทัยอีกแทก่อนลับุรีหนึ่งพันปีปกติมีแต่ในพิมพ์ันธ์เท่านั้นท่านจะไม่เห็นที่วัดไหนในประเทศไทยเพราะเป็นของเจ้านะเจ้าพระองค์เจ้าพานุพนันธ์ยุคนระโวพะพยนต์เนี่ยนะ นั่นแหละท่านได้มาท่านซื้อมีหลักฐานซื้อมาจากไหนยังไงแล้วมาถึงบ่มปริมชายาของท่านชายาท่านอายุเก้าสิบสาปีแล้วกลัวลูกหลานจะเอาไปขายฝรั่งรู้วัดประยูรนี่รักษาสมบัตินี้แล้วเกินต้องออกมาถวายเห็นไหมที่เล่ามานี่ใครจะมาถวายโกรนมาเลย <c oughs> <c oughs> นี่องคนี้นะท่านไหนะท่านจะไปดูในพิษภัณฑ์ก็ยังบิด น, นะเพราะว่ามันขนไปขนมาเสียนซื้อกันไปซื้อมันแต่ที่นี้อยู่กับเจ้าแล้วก็มาที่วัดประยูรนี่ งดงามากมากนะท่านไปดูอายุพันปีนะเป็นหินทรายสีเขียวตรงฐานนี่เป็นเดือยก็คือหินลูกรลันธรรมดาสีแดงแต่พอโดนแดดโดนอิดโดนฝนนะโดนฝนห น, นึนน่งพัน ป, าาปีสีเขียวไปดูเนเขาเรียกหินทร า, ายสีเขียวไม่มีที่ไหนในที่อยู่ในวัดใดเอ็เอให้ดูนี่เจดีเราซ่อมเสร็จเอาเราจะมาเล่าสรุปเลยนะสมเน็จพระเทพมาอัญเชิญพระธาตุขึ้นไปเนี่ยเปิดพิพิธภัณฑ์ให้ ที่ทำให้ท่านหนึ่งหลายจะไปชมแกนกลางของเราซ่อมเสร็จเาจมาเล่าข้ามเลยได้รางวัลยอดเยี่ยมจากยูเนสโกทั่วโลกต้องมาดูแล้วนี่เสาอินแกนกลางหนึ่งเดียวแห่งวั้นมรกสิที่วันไปอยู่นี่ท่านที่เราเอามาตั้งตรงนี่เอาเหล็กดานี่เราไม่ได้รื้อสักก้อนเดียวยูเนสโกให้รางวัลยอดเยี่ยมันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยให้แหกรางวัลเดียวได้ในปี2556 ประเทศไทยเนี่ยได้รางวัลยูนสโกมาเก้าครั้งได้แต่อันดับสามอันดับ4ี่ชมเชยไม่เคยได้อันดับหนึ่งเลยและหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้ก่อนนั้นก็ไม่เคยได้ได้เฉพาะของวันป่นี่ a อ a ออ o เอ x เ e l เลนนะนี่ตายยูนิสโกเนี่ยท่านคาร์เจอโรเฮโรเชนงเนี่ยสมีติดประกาศไว้เพราะฉะนั้นนี่มามอบรางวัลกันที่หน้าพระจดีในกรวยกวาโจคิมพออูนสโกที่กรุงเทพ เห็นท่านเอ อ, เ อ, อท่านอุปมตรีก็มาท่านสมเด็จก็มาเห็ท่านกวางโจกคิมในวันที่มอบรางวัลแต่มาสรุปและเมื่อวานซืนนี่คณะนี้มาดูท่านรองนา ย, ยกรัฐมนต ร, คนนครีคอนเองธนศักิ์ปฏิการประมาเนี่ยปฏิมา ป, ป, ป, ปรกรรัฐมนตรีวัฒนธรรมและปราศรุ่งมาที่กุฏิสมาชิก่อนนะแต่มาก็บรรยายสรุปอย่างนี้คณะแล้วก็ไปไหว้พระ มาชมเอศาสนาอื่นก็มาด้วยมาเยี่ยมชมวัดเมื่อวันศุ่ง น, นี้แล้วก็เป็นที่น้าเขาบอกอันหนึ่งคนะกรองนายกเพื่อมาชมที่นี่โดยท่านไปดูตรงนี้คำคำื c i ซ a t i o n คำประกาศสรุดีที่ยูเนสโกเขาชมว่าเจดีย์วัดประยูรมีคุณค่าทางประติศาสตร์อย่างไรอย่างเงี้ยนะ และเป็นภาษาอังกฤษถ้าท่ไปหานดูการบูรณะซ่อมแซมที่บูรณาการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิถีการก่อสร้างก็คือแบบเดิมเอาแม่แรงวิทยาศาสตร์แต่รักษาของเก่าเอาไว้ได้รักษาขนมโบราณและที่สําคัญคือความร่วมมือร่วมใจที่น้ายกย่อกงระหว่างพระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญและชาวบ้านหลายศาสนามาช่วยกันเป็นประหยัดพยานประยัดพยานถึงความสัมพันธ์อันยั่งยระหว่างวัดและชุมชน อะไรการดำรงรักษาศาสนาสถานให้ดำรงอยู่ในฐานะสุรวลจิตใจของชุมชนตราชนทุกวันนี้ประเทศอื่นเนี่ยเขามีของสวยกว่าของวันไปอยู่ในสามใหม่ในรุ่นเดียวกันแต่เขาไม่ได้ครบสามข้อของเราครบท่านท่านอยากยันที่ไหนได้นะเนื่องเทคนิคในการบูรณะอย่างที่เราเอาของเก่าของใหม่ประสมผสานสองโดยไม่ทําลายของเกา่าอย่างเ ย, ยดีถ้าเราไปรื้ออิดออกนะเราไม่ได้รางวัลเลย เรายกตั้งหรือเนี่ยคือจุดที่เราทำไม่ได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองประโยชน์ใช้สอยเมื่อบูรณะเศษท่านใช้ทําอะไรพระราชวังสวยๆในทั่วโลกไม่ได้รางวัลเพราะบูรณะเศจไม่ได้เป็นวังในะท่านนะเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ได้นะอาจจะได้ข้อหนึ่งแต่ตกข้อสองบางทีได้ข้อสองแต่ไม่ได้ข้อสามข้อสามคือความร่วมมือของชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมทั้งทั้ ง, ง, งคลิปอิสลามเขาไม่เคยเห็นที่ไหนเรามีภาพถ่ายให้ดูนะทางผู้นําศาสนาก็มาร่วมกิจกรรมอย่างขนาดวันที่ลองนายกมาเนี่ยเขายังมากับเราใช่ไหมดูสิเนี่ยมีที่ไหนเขามามาร่วมมาต้อนรับและตามเข้ามาเหมือนกับเป็นบ้านของเขาเนี่ยอันนี้แหละที่ทําให้เราได้ครบสามข้อเลยได้รางวัลยอดเยี่ยมดับหนึ่งประเทศไทยไม่เคยได้เพราะมันไม่ครบเนี่ยแต่ว่าไปอยู่ได้ครบเพราะฉะนั้นนี่คือ ท่านได้อะไรท่าก็มีอยู่หนึ่งฉลาดปัญญาขยันววรยา้สามซื่อสัตว์ที่เราไม่ขายไม่แรงด่างนี่ในสุดนี่กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสารคดีชุมชนทั้งหมดมาร่วมกันแนมะ้แต่าศาสนาอื่นเราอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีความสุขเพราะฉะนั้นธรรมะในวันนี้ในการเป็นรัชการก็จะมีมีอะไรบ้างคหนึ่งภาพสามภาพพัฒนาอะไรหนึ่งท่าพูดสิสมัธภา สองคุณภาพสาสุขภาพเพื่อให้ได้ภาพสามภาพท่านจะต้องหนึ่งมีปัญญาสองวิริยะสาอนาวัชชะสี่สังฆ์ปัญญาคือฉลาดขยันซื่อ ส, สัตว์มนุษยะสัมพันธ์ครบทุกข้อทุกประเด็นก็ขอฝากแต่ท่านผู้บริการสนักงกานใหม่และทุกท่านไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ในทายที่สุดนี้ขออนานาจในคุณประศรีและแตนจัยและคุณกุศลที่ทุกขั้นทุกคนได้มาเพนให้เป็นไปได้วยปันตะตันยูกระตะอุยทีดอกต่อผู้มีพระคุณแห่งสํานักอน า, ามัยที่เก้าวิญญาณเก้าพันสิบปีที่สี่สิสนี้ขออนานาจในคุณกุศลนี้จงสําเร็จเป็นอิทธวิบากสุขสมบัติที่พยาสมบัติแก่ท่านที่ร่วมรับไปแล้วนั้นได้โปรด อ, อนุโมทนามุญนี้ทุกประการ และจงบุญบุญสนี้และคุณประสีและตนรนจายจงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ทุกท่านผู้มีการรอผู้มีการและทุกท่านแห่งสํานักอนามัยจงเจริญองอกงามไปบูรยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จอรสัมมาสัพผู้เจ้าเาจริญด้วยอายุวันณนะัสุขาภรละปฏิพานธรรมสสมบัติปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบในธรรม ขอให้ความปรารถนานั้นนันจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมโนโรถุมากปรารถนาทุกประการตลอดกาลละนานเออสาธุ